เป็นธรรมเนียมของพระพุทธสุขพระโยคที่จะต้องมีการประชุมฟังภาพปฏิโมกพระปฏิโ ม, โมก็คือขียนจังดข้อที่พระพุทธเจ้าทรงมีอย่งางตามเหตุการณ์ต่างๆในระยะเริ่อตัวนี้ไม่มีพระปฏิโมก ก็พระที่มาบวชใ น, นพระุฒิศาสนามีศีลกันอยู่แล้วตัวไหนเป็นนักบวชจากลัที่อื่นเช่นพระเป็นเจราบทีิหรือพระที่พระุทธเจ้าทรงเผยเทศสอนต่างๆสำรักตา่งตางๆพอแสดงทําเสร็จท่านก็บรรุเป็นพระาหานเงินท่านก็ขอบวช เมื่อพระทกข์เมรอรหันต์ท่านก็ไม่มีกายตรวนที่ไม่สดหงามไม่ไมนานดีความเป็นเพืนท่านเป็นที่น่าเคารพเลื่อนใส่ตลอดเวลาแล้วต่อมาก็มีกายบวดมากขึ้นมีความที่บวดก็มาจากคารวะไม่เคยดูมาก่อน กาเลยไม่รู้ว่ารับบวชในมือความประพฤติอย่างไรที่ทำให้เป็นพี่น่ากคบรบเงินใสก็เลยในการทำผิดเป็นการประพฤติที่ไม่น่าไม่ไสวยงามไ ม, ออไไม่ไม่ส่งเสริมการปฏิบัติ คนารปฏริที่จะทำให้การปฏิบัตเิเรื่องถอยลงได้ก็มีคนไปกราบถือพระพุทธเจ้าขอาะนั้นองนั้นอง น, น, องนี้ว่าปฏิทินนั้นอย่างนี้ได้หน่อนึงพระพุทเจ้าก็จะทงเรียกพระที่ถืกข่าวหามาสอบสวนพ่าท่านรับว่าท่านทำอย่างนั้นจริง ก็มันก็ส่งศาสตร์ห้างไม่ให้กระทาอีกต่อไปแต่ความผิดขั้งแรกนี้ก็ไม่ถม่ถก็เป็นโทษเพราะทำไปโดยไม่รู้เท่าถึงการาก็ปรา ก, กฏเป็นข้อห้างแต่ละ ข, ข้อขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงประมาณสองยี่สิบเจ็ดข้อนั่นเอ ถ้าทรงอยู่ตรงนนี้ก็ไม่ทราบว่าจะถึงข้อที่เท่าไหร่เพราะญาติโยมคงไม่้อแต่ก่อนที่จะมีพระปณิโมนีก็มีการมีมีมีการกล่าวถึงอยู่ในพระไตรปิฎกว่าภาษาเรียนดูง่ายไงเนี่ยที่ มีความทราบซึ้งในพระธรรมวินัยในพระศาสนาในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเห็นว่ามีคุณค่าแก่สัตว์โลกอย่างยิ่งและอยากจะให้มีพระศาสนาที้อยู่กับคู่กับโลก น, ลนานๆเป็นเครื่องมือสัตว์โลกเพื่อสงฆ์ระกาศคุนฐานพระพุทธเจ้าว่าจะทำอย่างไร เพื่อจะทำให้ศาสนาไม่ยนานๆะเจ้าก็สั่งบอว่าก็ต้องมีการมีมีพระปิโมยมีหลักข้อห้ามต่างๆพระ้าไปบุดเป็นกราบทขอให้พระเจ้าทรงมักหยข้อห้ามต่างๆไว้จองจัดว่าตอนนี้มันไม่มีเห็น นึ่ผู้ปฏิบัติก็เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติก็เป็นผู้ที่เสื่อมเกเรนะสองรากสักการะมันเป็นเห็นของความเสี่ยงของพระพิสุก็อย่างไม่มีเราเรื่องมีรากสักการะมาแล้วมันกนน็เป็นตัวที่จะทําให้ไปกระตุ้งกกเรในใจ mm hmm. ของพระที่ยังไม่ได้บรรลุ มีกิลเลสออกมามีการทะเลวิวาสมีการแก่งแย่งผลดีกันมีการแยกแ่ะต่างๆที่ไม่เหมาะสมตามมาตอนนั้นยังไม่ได้มันยังไม่ได้บรรยัติพระปฏิโมึ้นแต่ต่อมาเมื่อมีคุณระบุก็มีความัทธาที่ ไม่เคยบวดมาก่อนมาขอของบวชแต่ไม่ได้รู้จากวิถีของของพระว่าจะควรจะดาเนินีวิตของตนอย่างไรให้เป็นที่น่าสัดขาเลื่อนสถ้าเลยมีการประพฤติที่นอกรู้นอกลอยจึงมีการบัญญัติข้อห้ามต่างๆขึ้นมา เพิเป็นพระติโมหนึ่งยี่สิบยี่สิบเดข้อรงแบ่งเป็นเป็นข้อห้ามที่มีโทษหนับตามลาดับล ง, งมาข้อห้ามที่หนักที่สุดก็มีอยู่สิข้อกันถ้าวิสูตรหนึ่งรูปได้แล้วน้อยข้อห้ามมีแล้วก็จะถือว่าขาดจาางเป็นพระอิศิษฐานแต่แน่จะ ผู้อื่นจะรู้หรือไม่กะต า, าแต่โดยหลักธรรมล้าวทุคคลนั้นก็ถือว่าเสื่องจากการเป็นาระคงจะทราบในสู่ง้อคือตราชิกท้อที่หนึงเรียกว่าการเสดในถึงหรัดบวชนีไม่ควรเสดในถึงก็คือไม่คว ร, ร่วมหลับนอนกับผู้การหาความสดทางโยกียะ สอข้าพูดเองข้ามันนี้ข้ามนนี้เป็นคข้าส่นี่ยเมื่อเห็นก like ับตาราทุกข้ามนนี้เนี่ยามยักรับท่านถืงที่ว่าแม่กับซับแค่นิดเดียวนั้นก็ถือว่าขาดใหการเป็นพระได้ข้อที่สี่ก็คือการอวดอวดเลยมีนิสัย ทาที่ไม่มีในตอนทาวิเศษที่ไม่มีในตอนเช่นหมนว่ามีมีชาทคันนั้นคันนี้มนุษย์ทำคันนั้นคันนี้โดยที่ไม่มีในตอนเป็นเหมือนกับโฆษณายกตัวเอ ง, องนี้ถ้ามีก็ไม่ผิดถ้าเป็นความจริงก็ไม่ผิด ถ้าถ้าไม่เป็นคามจิงก็ผิดทีนี้ในสมัยนี้ถึงนั้นมีถ้าไปพูดเขาก็จะตับฟับงเราคิดหน้าแล้วถ้าเขาไม่เชื่อเราก็ลำบากงั้นกำลังเพีคนนี้รู้ถ้าใครไปพูดว่ามีว่าตอนเป็นได้ลันลุแล้ว ก็ไปว่าท่านทันทีว่าท่านอุตลิท่านทันทีทันทีแล้วพระอุตลกระตอเนี่ยท่านพูดในส่วนที่ไม่มีในตัวท่านถ้าท่านมีท่านก็ไม่อุตเล่ในสมัยพยุทธจารก็มีพทพุทธเจ้าคอยเป็นผู้คอยตัดสินได้ว่าพระลูกยังมีหรือไม่มีเพราะในสมัยพยุทธการย์เรบางเรืกก่ก็ถือถือ จุดกลบจุดฟ้อมว่าอิดทะเละเพราะเห็นว่าความประพฤติของท่านไ ม, ไ, ม ไ, มไม่น่าเรื่องใสไม่น่าจะบรรุธรรอย่างนั้นได้พร่พทุทธิช้าก็ทรงรับรองว่าท่านบรรลุก็มีแต่ในสมัยปัจจุบันเราไม่ค่อยมีครูที่หรือมีเช่นพระพุทธเจ้าแล้วการที่อย่างรับเช่นพระพุทธเจ้า นอาจากในในในวงการปฏิบัติการระบงของเราที่เรายึดยึดกันอยู่ท่านพระพัฒวละกุบาอาการท่านเจ้าที่คำว่เนื้อใจจัตตาแล้วท่านพูว่าโอ้นั้นตรงนี้เป็นอย่างไรก็เป็นสิ่งที่เที่บปรับกันได้ถ้าเราอย่างน้อยก็ก็คงจะไม่มีใคมาย่งขึ้นไปแต่วิธีที่จะเรียว่าท่าน นี่ว่าท่านบรรลุหรนะือไม่นั้นก็อยู่ที่การหนึ่งการสมถ น, นาธรรมระหว่างกันผู้ที่สมถ น, นาธรรมก็จำเป็นผู่บรรลุถึงจะรู้ได้ว่าผู้ที่ตอสนสมถนาด้วยนะั้นบรรลุหรือไม่จะจะรู้เพียงแต่ระดับที่ตนเองได้บรรลุเันแต่ถ้าท่านอยู่ที่ระดับสูงกว่าก็จรได้ทราบว่ท่านมรรลุหรือยัง แต่ถ้าสามกว่าก็จะรู้ว่าสามกว่าสองจะรู้ได้ต่อเมื่อถ้าท่านเป็นพาาาระแล้วนตก็เวลาที่ท่านวอนพระเสร็จแล้วแอัฐิของท่านกลาเป็นพระธาต่างนี้ก็จะรู้รู้สามเรายังไม่บรรลุแต่เราเอาสัยท่านเป็นผู้สอนจนเรายอมเราถึงที่ท่านสอนไปปฏิบัติจนเราบรรลุขึ้นมาเอง แล้วก็ยอมเชื่อได้ว่าท่านบันเดลดังนั้นท่านพระโจะสอนให้เรานงลึกเลยนะนี่ก็คือเรื่องของพระปฏิโมกที่ต้องให้ประชุมกันทุกขื่นเดือนกับเพื่องและผู้หลงลืมคือถ้าไม่มุ่การทบถวนอกันเลยเดี๋ยวเขาเลรู้ว่าเรออะไรบ้าง แต่ความจริงเวลาท่านสวดท่านก็สเป็นภาษาบาลีถ้าไม่ได้เรียนบริีมาก็ไม่ทราบแต่ก็มีหนังสือที่เขาแป่แป่เป็นภาษาไทยพระทุกมือก็ต้องเรียนกันต้องอ่าก น, อนกันต้องยีดั้องสมรู้สเข้อว่ามีอะไรบ้างรู้สึกว่ากำลังจุ่อยู่ในนักธรรมตัวเองแต่เวลาสวดจริงๆท่านยังไม่ได้สวดมา ้็จะเปลี่ยนเป็นบาเรียนไปซึ่งการปฏิบัติการสวดพระปริมกข์นี้ก็รู้สว่าจะมีอยู่แต่ในบางสำนักวางสายเทะนั้นลางแห่งของก็ไม่สวดกันกน็ถ้จะสวดกันก็ในช่วงเข้าพรรษาพอออกพรรษานะเขาก็ไม่สวดกัน ก็แล้วแต่ระดับเยอะหรือว่าเขาจะมาปฏิบัติกัรแต่ทางสายของพระปฏิบัติมือเสมาท่านจะถือเป็นเท้าจิตที่สำคัญคือไม่ไม่ควรขาดถ้าอยู่ที่ไหนพราตั้งแต่งสี่รูปขึ้นไปต้องสูดพระฏิบัติถ้าต่ำกว่าสี่ก็ไม่ต้องสวด ให้แสดงอาบาตแล้วก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานว่าวันนี้เป็นพระปฏิโมยเพื่อให้ให้ให้รู้ว่าการเป็นนักบวชนี้ต้องมีข้อปฏิบัติอย่างไรก็ถึงที่จะรักษาความเป็นพระได้ก็คือสีนี้ ถ้าไม่มีสิ่งแย่ม <Okay. S 1> ันก็เด่นเหมือนคาราวาก็เหมือนกับจับเรงเอาผ้าใส่เสื้อผ้าให้เป็นคนจะแต่งตัวยังไงมันก็ไม่เหมือนคนเพราะเรงมันอยู่มอ น, นมันไม่มันไม่เรียบร้อยจะจับมันมานั่งฟังเทศน์ฟังธรรมอยากที่พวกเรานั่งฟังแบบนี้นัง<ๆ>คงทาไม่ได้อย่าด จะให้ใหจับคนมาแต่งผ้าเหลืองโกนหัวแต่างไม่มีสีก็ไม่เป็นพระก็เป็นพระไม่ได้เพราะว่าไม่สับเด้วยการวาจาใจพระนี่ต้องสงบนเื่องการวาจาใาเาาจาในในในเรื่องต้นก็ให้สงบกายกับสงบวาจาในาพระปฏม ให้ครับให้ทำงานตอนอยู่ในกรอบของพระในพระโมกถึงแล้ ว, ว่าใจยังเดินงอนกอดแกนอยากจะทำสิ่งนั้นอยากจะพูดอยู่คุณรู้อยู่แต่ให้มีสติรู้ว่าสิ่งที่ตอนอยากพูดอยากจะทำมันไม่อยู่ในกะอกรอบของพระเช่น่ันนี้หนูบ้านที่จะบินตลาดเขามีก็เลยระวังไหน มันหลัเก็เทวันเล่นน้ำมันมันลดน้ําสงน้าพระกันเห็นพระเห็นเขาเล่นน้าก็อยากจะเล่นกับเขาก็ก็ต้องทำไม่ได้ก็ต้องเห็นว่าใจยังยังวิ่งยังอยากอยู่เพราะพระเทวายที่เขาบวชในสมัยนี้เขาก็อบวดตามประเพณีใจเขาก็ยังไม่ได้รับการ ผลผลอบรมในช่วงที่มีเิศกาลอย่างนี้ใจก็พ อ, อ, อ, อท่านจะหวั่นไหวแตล่ก็รู้ว่าทำไม่ได้ถ้าอยากจะทำก็ต้องอยอให้นอสินค้าไปก่อนแล้ว่อยอทำคนเราที่ที่มีความแตกต่างกันก็ที่ก็ด้วยศิลธรรม ในเรื่องต้นคนเราว่าการสูงต่ำก็ว่าการที่ศีลธรรมคนที่มีศีลมากกว่าจึงถือว่าเป็นผู้ที่สูงกว่าผู้ที่มีศีลน้อยกว่าก็ให้ความเคารพแม้จะเป็นพ่อแม่ลูกถ้าลูก บ, บวบบวบตั้งคะอย่างนี้พ่อแม่ก็ยังกราบลูกได้กราบด้วยศีล เรควา ม, ม, ค, มความเสริความกระเจิดของันของคนเราไม่ได้อยู่ที่ฐานะไม่ได้อยู่ที่อายุไม่ได้อยู่ที่ตําแหน่งแต่เราก็ให้เกียวกันในฐานะที่เป็นสัญลักษณ์ที่เราต้องมีแบ่งกันไว้เช่นที่ทํางานเราก็มีหัวหน้ามีลูกน้องลน้องก็ต้องเคารหัวหน้า แต่คำว่าเพราะว่าหัวหน้าเป็นคนที่จะให้เดือนลูกน้องแต่ไม่เช่คำว่าเพราะว่าหัวหน้ามีหรือเพราะไม่ไม่ได้เป็นเพราะว่าหัวหน้ามีสิ่มากกว่าเพราะเราไม่รู้ว่าหัวหน้าเนี่ยบางคนมีสิ่ น, น้อยกว่าลูกน้องก็ได้เช่นหัวหน้าชอบกินเล้าแต่ลูกน้องเน่ยชอบกินเล้าอย่างนี้ก็ต่างกันหัวหน้า ชอบพูดปลดยุทธ์แต่ลูกน้องไม่ชอบพูดปลดยุทธ์ถ้าพูดตามหลักทางนแล้วลูกน้องก็ต้องสูงกว่าหัวหน้าแต่ในทางทางทางโลกส่กวนนี้เขาไม่ถือหลักนี้เขาถือหลกว่าใายเป็นมีตำแหน่งสูงกว่าก็ต้องให้ความเคารพเพื่อทหารตระหนึก อย่าก็าต้องคารุในน้อยในน้อยก็ต้องคารุในพันในพันก็ต้องออคารุในพันแต่คนบางคนที่ยศถึงสูงแต่เรื่องวิสีก็มีเยอะแยะไปไม่ง่าคารุดย่อนไสแต่ก็ต้องคารุดจนตายตามกฎของสมุเมลลิเป็นเหมือนลงละครรอบนี้จะเป็นเหมือนลงละครใหญ่งแต่ละคนก็มีบมทบาทของแต่ละคร แล้วเราก็ต้อ ง, งแยกแยะความสุขต่างของคนในทางแบ่งเป็นสองภาคภาคสมมติกับภาคธรรมะภาคสมมตุมมติก็อย่างที่ได้พูดไว้เขาแ บ, บ่งไว้ตามตามตำแหน่งตามยศตา่างๆส่วนภาคธรรมะนี่ก็แ บ, บ่งกันที่ศีลและธรรมศีลก็ ม, มีศีลมากศแล้วยธรร ม, ก, ม ก, ก็คือมี มีคุณธรรมมากน้อยต่างกันเป็นพระโสดาบัานก็สามกว่าพระสัจาคาีพระสาคารีก็สามกว่าพระอนาคารีพระอนาคารีก็สามกว่าพระอรหันต์มีทางธรรมท่านแกวแก้ววัดแลอย่างนั้นงความ ความสูงต่ำของทางทางโลกนี่เป็นสิ่งที่ไม่ไม่ไม่จริหลขาวานไม่มีคุณค่าที่แท้จริงคุณค่าที่แท้จริงอยู่ที่ความสูงต่ำขอทางธรรมมากกว่าจาบตาดูอย่างนี้ว่าเธอไปทำคาพูดที่สูง ข, ขึ้นเท่าไหร่กลับไม่ได้ถือตัวเและกลับไม่ได้เถี่ยวว่าตัวเองสูงไม่ไม่ อยากจะให้ผู้อื่นแสดงความเคารพนับถือยิ่งสูงเท่าไหรยิ่งรู้สึกเฉยๆจะไม่มีตามรู้สึกเลยการบอกทางโลกยิ่งสูงเท่าไหรยิ่งอยากให้เขาแสดงความเคารพนับถือมากยิ่งขึ้นเว่าทางโลกนั้นเป็นของกิเลของความหลงหลงในอัตตาส่วตนทีว่ว่วาตนมี ตอนนี้เป็นตัวเป็นตนหาไม่ได้ว่าไม่มีตัวเป็นไม่มีตัวตนที่แท้จริงเป็นความหลงสร้างขึ้นมาในทางทำเมื่อปฏิบัติไปก็จะเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นตัวตนมากขึ้นไปเรื่อยๆจะเข้าใจว่าความเป็นตัวตนนี้เป็นความหลวงที่เกิยึดติดมาจาก จากผู้อื่นก็ดีแล้จากความรู้สึกนึกคิดในตนเองก็ดีคิดว่าตอนนี้เป็นตัวเป็นตนทีว่ว่าตัวรู้คือจิตนี้เป็นตัวเป็นตนแต่ความจริงจิงนี้ก็เป็นธรรมชาติอย่างหนเหมือนกับดื่มน้ำวนไฟก็เป็นธรรมชาติอีกอย่างเมื่อมารวมกันที่ว่ า, าประกอบกันเป็นศัตร์เป็นบุคคลขึ้นมา นาคก็มีมีธาตุสีและธาตุนี้มารวมกันมนุษย์ก็มีธาตุสีและธาตุนิวรณ์มารวมกันแค่เดียวกันมนุษย์ระดับนี้ต่างกันเพาะตรงที่มีสีลธรรมหรือน mm. ะน้อยต่างกันสะดับนี้ถ้าจะไม่มีสีลธรรมเลย ม, มสิีห้าเป็นมนุษย์นี้ถึงแม้จะมีไม่คบรบก็ตาม แต่ก็มีวิสัยที่จะรักษาสิ่ห้าให้ครบได้ก็มีสติสัญญาที่จะรู้ว่าสิ่ห้านี้คืออะไรและมีความสําคัญอย่างไรแต่จากสัตวในธรรมสานี้เขาไม่มีสติปัญญาพอที่จะรู้คุณค่าของสิ่ห้าเขาจึงต้องทำผิดสิ่เพราะเขาคิดว่าเป็นการอยู่รอดของเาัา ในเวลาเขาเหิวเขาก็ต้องหาอะไรกินจัตเล็กสัตน้อยสัตใหญ่กว่าก็กินถับที่เล็กกว่าเป็นอาหารดะมนุษย์นี่เราสามารถที่จะแยกแยกได้ยารู้ว่าการดำรงชีวิ อ, อยู่นี้เราสามารถดำรงชีวิ อ, อยู่ได้โดยที่ไม่ต้องฆ่าทุนอาหารของมนุษย์นี้ถ้าไม่เยอะ ถ้าไม่ใช่เป็นศัพท์ที่ตายแล้วก็มีอย่างอั่นที่รับประทานได้ทุกผักพุกข้าวเหล่านี้ก็เป็นอาหารได้เรื่องทั้งหมดนี้ก็อยู่ในังทารู้คือจิตมีจิตถ้ามีความหลงก็จะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็จะ ตกอยู่ภายใต้อำนาจของความโลภของความอาีาอยากจะได้อะไรอยากจะทําอะไรอยากจะมีอะไร <IN> ก็จะใจหวาหามาด้วยวิธีาการต่างๆถ้าหามาโดยวิธีสึดกลิกไม่ได้ก็หามาโดวยวิธีทึกเกลิแต่หน้าจิตที่มีความรู้สึกสำนึกคิด ว่าอ่าที่จะอยู่อย่างมีความสุขอยู่อย่างจเจริญก้าวหน้าจะต้องอยู่อย่างมีอย่างในศีลธรรมคือไม่เบียดเบียนผู้เขาก็จะบำเพ็ญไปในทามนั้นจะรักษาศีลจะมีความเมตตากรุณามีความเมืตาเพื้อเผื่อแผ่ มีความสงสารเห็นผู้ตกทุกข์ได้ากลำบากพอที่จะช่วยเหลือกันได้ก็จะช่วยเหลือกันเพราะเห็นว่าการกระทาอย่างนี้แล้วทำให้จิตใจมีความส็ขมีความร่มเย็นมีความสงบบุคคลหลังนี้ก็มีโอกาสที่จะพัฒนาสมงขึ้นไปเรื่อยๆจนปรากฏเป็นพาาาระอรหันต์หรืีพระพุทธเจ้าขึ้นมา การอาศยบุคคลแบบนี้ที่มีความสันนิยมีความรู้สึกนิดๆในจิตในใจของตัวเองว่าการไม่เดือดรู้สึไม่เดือดริงผู้อนการมีสีมีธรรมกางสังเคราะห์เชื่อหรือผู้อ่นการทําจิตใจให้สงบรลมเย็นเป็นสุขเป็นวิสีทางสุ่ความสุดท้าถึงเขาก็จะพยายามบำเพ็ญบุญกุศลแบบนี้ไป เร่ยในแต่ละภพในแต่ละชาติจนกว่าจะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระพุทธเจ้าในบางภพบางชาถ้าเป็นยุนเป็นกุศลเป็นโชควาสนาข้าจะได้ไปพบกับพระพุทธเจ้าโดยได้พบกับพสังสาขสองพระพุทธเจ้าอย่างพวกเราชาตินี้เราก็โชที่ได้มาพบกับพระพุทธเจนา แต่พบกบระทัะสาวกของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เราไปเป็นทางที่ถูกที่ชอบผิดควรเพืเป็นทางที่เรากําลังเดินไปอยู่แล้วเรามีความชอบมีความยินดีที่จะไปในทางนี้อยแล้วเพีงแต่ว่าเรายังไปได้ไม่ไกนลนะเรายังไม่รู้วิถีที่จะพาให้เรา การให้ด้การที่เป็นได้อย่างไรเงั้นถ้าได้เจอสาธุเจอกาญจน์ปัญหาของพระพเจ้าก็จะช่วยทําให้การดําเนินของเราการปฏิบัติของเรานี้ก้าวหน้าขึ้นไปได้อย่างรวดเร็ดีกว่าการปฏิบัติไปตามความรู้ที่เรามีอยู่ของเราเอง ที่ต้องค่อยๆ ค, คลำทางไปที่ละเล็กทีละน้อยก็เหมืนกับการเดินทางเราเดินไปเรื่อยๆแล้วพอดีมีคนขาวรถผ่านมาเขาก็จอดรถ แ, แล้วขึ้นรถเสรใช้ด้วยกันนั่งยถไปเข้าเร็วกวาเดินไปเองแล้วก็ปัจจุบันศาสนาก็เหมือนกับได้พบกับคนที่เขาขับรถเดินมาแล้วเขามีความ เ, ตาเมตกาสงสาร เราต้องเดินแต่ข้าวของกะ ก, การแดดการฝเหนือยากเท่าเหมือนขนทางก็ลบากลงบนขึ้นเขางยงช้วถ้ามีรถ four w h e e ไปด้วยมันก็ไปได้เรอเร็วกว่านี่คือความเมตตาของพระพุทธเจ้าถ้าจะเหมอนเจ้าของรถโค u r e ขนาเ่ผ่านมาเห็เราสำลังยา อ, องอยู่ก็ ไม่สายไม่ไม่เป็นคนใจแคบเใครเดินอยู่ก็จอดแล้วก็รับรับรดคันนี้ก็ใหญ่รับได้มากมายแต่คนนั้นก็ชอบขึ้นกันกลัวเสียข้ารถฉันไม่นองกลัวไม่ต้องไม่ไม่มีเก็บข่ารถไม่ต้องเป็ใจจะไปเสียดายความทุก ไม่เสร็จไม่รู้เสร็จเบื่อบ้างไหแก่ความ ท, ทุกข์ที่เราต้องเจออยู่ได้่อยๆชอบเดินชมวิวมนขึ้นรถ ข, ขึ้นกถจะลำบากหน่อยตอนบินขึ้นรถเท้งนัง้นเราขึ้นก็ไปนั่งในรถแล้วก็สบายแต่ตอนบินขึ้นรถนี้อาจจะลำบากนาะมันสูง ต้องถือตีแปดต้องไปอยู่วัดต้องถึงสาสมีภรรยาไม่ได้ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่มองมาเรมาเลยนะคะมองข้ามเราไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรตามที่เราชอบจะทำ แต่เป็นการปรับตัวเราแทนปับใจของเราเพราะเราให้ทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนเพราะพอเราทำแล้วอ่ะทำแล้วมันตะคิบจนจนรับประทานเนี่ยไม่ได้ต่อเดี๋ยนั้นก็ขอให้เรา จากตัวโอกาสอันดีนั่นแหละนะมีไม่ไม่มีโอกาสอย่างนี้อีกแล้วอีก น, นานจะเกิดขึ้นสักครั้งนึ่งต่อไปเราก็ต้องทําทางของเราเองถ้าชาติหน้านี้เรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ไม่หนึ่เพราะาชาติหน้าไมาเป็นคราวหน้าโอกาสหน้าแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ศาสนาก็อาจจะหมดไปแล้วไม่ไม่มีใครรื้อเรื่องพศาสนา อาจจะมีพวกคมพีเก็บไว้ในตู้แต่ไม่มีใครอ่านไม่มีใครเข้าใจว่าให้ทำาทําไมอ่านไปทำไมจจท ำ, มทำอ่านไปเพื่ออะไรไม่มีใครมาอธิบายเราจะต้องํำทางของเราไปเอง ต, ตอนนี้มีโอกาสที่จะศึกษามาน้อยเสียงไรก็พยายาศึกษา กำลังคเทศความธรรมอยู่เรื่ๆหังแล้วก็ให้นำออกไปค่ายควรพิจารณาอยู่เรืยๆเพราะนี่คือบอกเกิดของปัญญาถ้ามีปัญญาแล้วปัญญานี้จะเป็นตัวที่จะพาเราไปนลันะจ่ยนี้ก็เริ่มต้นที่สัมมาธิกฐิสัมมาสังกัปโปะคือความเห็นชอบกับความไม่เชอบ นี่แหละเป็นตัวปัญญาใจใจของเรานี่เราคิดอยู่ตลอดเวลาแต่เรามักไม่คิดไปในทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรเรามักจะคิดไปทางมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกปรคือคิดผิดมีความเห็ผิดถ้าคิดเกี่ยวกับการหาพานสุขทางโนี้ก็คิดผิดละถ้าเราคิดว่า ความสุดที่แท้จริงนั้นต้องไปในทางธรรมึ่งเราคิดว่าพระใน่องนี้ไม่มีความสุขในโลกนี้มีแต่ความทุกข์พราะในโลกนี้มีแต่ความไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่มีอะไรเป็นของเราถ้าเราคิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆก็จะทำให้เราเกิดความเดือดร้อนในทางโลกนั้นจะทำให้เรามีความยินดที่จะไปในทางธรรม เมื่อเรามีความยินดีแล้วเราก็จะมุ่งไปในการทำเราก็จะพยายามนั่งสมาธิจะนอนสติอยู่เรื่อยๆและเมื่อเรานั่งสมาธิได้ทีสติเอยียงต่อนเนื่องจิตของรามก็จะมีความสุขมีความสงบว่าขึ้นไปทําให้เราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องหาความสุขจากภายนอกทําให้เราไม่ต้องไปงยืมเงินหาเงินหนาทอง เพื่อมาซื้อความสุขเงินทองที่เรามีอยู่ก็เราก็จะเห็นว่าเราไม่มีความเต็มที่จะต้องมีไว้มากมายเราก็จะแบ่งปันไปทำบุญเก็บไว้เท่าที่เท่าที่จำเป็นแล้วก็จะเข้าหาความสุขภายใ น, นให้มากขึ้น ถ้าลองเข้าข้างในแล้วการใช้เงินใช้ทองนี่จะไม่ค่อยจาเป็นเท่าไรแต่แต่เฉพาะการดูแลสัขภาพร่างกายคือคืออาหารระรับประทานเสื้อผ้าก็ถ้าจะไม่ต้องซื้อเพราะมันนานใคซื้อสักตัวสองตัวเพราะมีอยู่มากแล้ว ยารักษาโลกนำนำก็งานงานจะสช้จะทำความที่จกิดข่ายยากปวดที่รักษาจะมีนะก็ไม่จำเป็นจะต้องไปทำงานให้เลย ม, มีเวลาอยู่บ้านปฏิบัติทำถ้าไม่อยู่บ้านก็ไปไปไ ป, ไปอยู่วัดก็ได้ทั้งหมดนี้เกิดจากความคิดความคิดไปในทางธรรม คิดไปในทางธรรมะคิดว่าโลกนี้ไม่มีอะไรน่าน่าน่ายินีไม่เห็นมีอะไรที่เป็นความสุขที่แท้จริงเียมีอะไรแนะก็ต้องทุกกับสิ่งนั้นเพราะสิ่งนั้นจะไม่อยู่คงเส้นคงวางไม่เป็นเหมือนเดินไปตลอดจะต้องมีการเปลี่ยนไปและมีการทัาจากกาัน หรือในขณะที่ยังไม่เปลี่ยนบางทีใจเราก็เปลี่ยนไปเช่นก่อนนะบางสิ่งบางอย่างตอนตอน้นตอนที่เราไม่ได้เราก็อยากได้ใจก็ฝันฝันคิดว่าดีนั่นดีนี้พอได้มาเป็นสมบัติแล้วพอเห็นกรำเจำเนนทั้งชาติก็เกิดความเดือดร้อนขึ้นมาแล้วเสื้อผ้าต่างๆที่เราซื้มอมาใหม่เพิด้ได้อย่างนี้ เวลาที่อยู่ในร้านนู้นเห็นว่ามันสวยได้ใจพอเราซื้อมาใส่แล้วมันกลับไม่สวยอย่างที่เราคิดจังก็ต้องไปหาชุดใหม่ๆ ม, มาใส่เรื่อยๆนี่คือลักษณะของสิ่งต่างๆในนี้เป็นอย่างนี้นไม่ได้ให้ความสุขที่ถาวรแล้วก็มันมีมีโทษในทุกตามมาด้วย ว่าเมื่อเรามีแล้วเราก็หวงแล้วก็โหนล้วก็เสียดายเวลาที่มันจากเราไปหรือเราจากมันไปซึ่งไม่มีอะไรเลยดีกว่ามีทั้งที่จำเป็นเพรามีลงไม่หายจากมีน้ำไม่เดือดมีข้าวไม้รับประทานเสิ่งเหล่านี้จําเป็นแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินด้วยส่วนใหญ่ก็ไม่เสียเงิน น้ำสมัยก่อนก็ไม่ต้องเสียงยินน้ำมีก็หาได้รองน้ำฝนก็รับประทานได้หรือถ้าไม่มีน้ำฝนอยู่ใกล้แม่น้ำลำธาร้าน้ํำมาต้นดือดรับประทานได้อากาศก็ไม่เสียงยินไม่ต้องแต่ต่อไปข้างหน้าไม่ได้ ต่อไปยังมีคงยังมีคนขายอากาศกันอากาศล <c oughs> อยสิมันจุกในทังเ <c> ห <oughs> มือนกันน้ำเมื่อก่อนนี้น้ำก็รองน้ำฝนดื่มกันได้เดี๋ยวนี้ต้องมีคนฉลาดท่อเอาน้ำมาใส่ขวดเอามาขายได้พัายาคิดทางปัญญาณยู่คิดทางอันนี้จังทุกขังวนัตตา ยูเสี่ยงกับรถถดนะคะเป็นนิจงทุกขงังตาแม้ว่าเรที่เราเห็นด้วยตานี้ยะป็นนังกขังอนตตาด้วยหนด้วยห็น่มด้วยจมูกสัมผัสด้วยงิลิ้นด้วยลิ้นสัมผัสได้เพ่อ่าตนี้เป็นนิจังทุกขันัตาเราจะเครางเบื่อนาเป็นแล้วก็จะเกิดครามยินดีที่จะเจริญธรรมะ คือแตบัติกาทำจิตใจให้สงบแล้วเมื่อเราตั้งหน้าตั้งตาทำจรินจรกงอย่างนี้มันไม่นานที่มันไม่ได้ผลัำส่วอย่างเรามันไม่เอาจริงเอจกันทำเป็นไาพ อ, อาของปากของคอพอหน้าตาหนึ่งก็ร่วมหลับไปแล้วหรอถ้า ไ, ไม่หลับก็คลุ้งซ่านหรื <c oughs> อถ้าอยงนั้นก็แกะตรงนั้นียงตรงนี้ท้อะไรสักอย่าง สติไม่ได้เก็บจอมอยู่กับพุโทโธไม่ได้อยู่กับลมหายใจเขางัวแต่งแล้วก็คิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปก็จะไม่ได้ผลแล้วก็จะเกิดความท้อแท้หมดกำลังใจติเลก็จะมาอ้างว่านับบิบัิไปก็ก้ายประโยชน์หมดว่าวาสนาไม่คอบดินไม่คอเอาไว้เอาไว้กันนะฝันมาัน <laughs> ถ้ามีขอความสุขแบบนี้ไปก่อนถึงแม้จะทุกบ้างก็มันก็ยังสุขบ้าง <c oughs> แล้วเวลามเวลาสุขก็ดีแล่ละแต่เว่าทุกอย่าไปโทษใครโทษตัวเราเวลาที่เราร้องห่มร้องหา้างเสีย อ, อกเสียใจเใจ็บใจปวดใจช้ำใจอยู่ที่เราเนี่ยเราไปหลวงเทาเอง เราไปหลงับสิ่งต่างๆนเองแล้วเมื่อสิ่งต่งางๆที่เราหลงนั้นไม่ได้สนองตอบตามที่เราต้องการก็อย่าไปโทษใครโทษความหลงของเราเองของที่เขาจะสิ่งที่จะสนองตอบเราตลอดเวลาด้วยความชื่อสับเราก็ไม่เอาเคอความสงบของจิตใจเราเนี่ยมันชื่อสับกับเราว่าเราทำให้มันสงบแล้วมันก็จะสงบไปเรื่อยๆมันจะไม่มีการอปฏิวัติไม่มีการเปลี่ยนแปลง การมีใจจะสงบนยู่ได้ด้วยนั่นก็ขอให้ขอให้เรามุ่งไปทางนี้นะการธรรมะการจิตใจเข้าข้างในอย่าออกข้างนอกเหลวงปู่ดูลย์ท่านก็พูดเว้แล้วว่าจ ko ิตออกข้างนอกเป็นสมุทัยถ้าจิตคิดถึงเรื่องราวดึกๆแล้วแสนสุดคิดถึงคนนั้นคนนี้เนี่ย มันออกมาเปนยียกมันก็จะเป็นทุกข์ึ้นมถ้ามันก้าข้า ง, งานแล้วมันก็เย็นเย็นมันก็จะก้าวหาคุกโเข้าหาอารมณ์ห า, หายใจข้าหาการพิจารณาอาการสามสิบสองสามหกายพิจารณาเกิดแก่เจ็บตายถ้าอยู่ในวง น, นี้แนละ้วรบรอกได้ว่าความสงจะไม่อยู่หายใจเมื่อมีความสงบ ก, ก็จะมีความสุข เป็นความสิ่งที่ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีใครสามารถพาดจากเราไปแล้วมันจะเงาตามตัวกันต่ตอนนี้ก็พยายามถักดันตัวเองไปเรื่อยๆให้มีความภาคเพียงไม่มีใครที่จะทำแทนเราได้ตนเป็นที่ขึ้นของนตนปัจจัยอาัตามีนาโถ ครูบาอาจารย์ทั้พูทั้งผู้ทำทั้งสองเป็นเพียงผู้ชี้ทางซึ่งสําคัญถ้าไม่มีผู้ชี้ทางถึงแม้จะมีความเพียรเรื่องน้อยเพียงไรก็ตามถ้าเพียนไปในทางที่ผิดมันก็ไม่เกิดประโยชน์ใดดังที่พระ อ, อ, องคุลิมา ก, ก็เพียรฆ่าคนต้องเก้าร้อเก้าสิบเก้าคนแต่เพียรไปในทางที่ทำที่ผิดเพราไม่มีผู้สอนผู้ชี้ทางที่ถูก ตอนได้พบปฎทพกทธเจ้าตรงบอกให้ไปผิดทางนั่นต้องไปทางนี้ไม่ใช่ไปทางโน้นตอได้ยินได้ฟังก็เข้าใจเก็เลยพิชิตตัวเองพิชใจของตัวเองกลับมาบำเพ็ญกลับมาปฏิบัติย้อนเข้าทางใ น, นไม่ออกไปทางนอกไม่หาความวิ่งเหยจาก้างนอกจากการไปทำร้ายผู้อื่นจากการไปเหยียดย่มทำลายผู้อื่น จากการยกตนข่มท่านเป็นนี้ไม่ใช่เป็นการทําให้ตนเองเป็นผู้พิเศษเป็นผู้ประเสริดผู้กระเสิจะต้องกดตัวเองกดเกเรทั้งตนของตอนเองยกผู้อื่นแต่ข่มตนเองยกเน่าผู้อื่นขมตนเองยึงาะทำให้ตนเองนนั้เป็นผู้พิเศษได้แต่เกเรมันจะชอบทําตรงในข้างชอบข่มผู้อื่นชอบยกตนเอง ครูบาอาจารย์ที่ชอบยกขามตัวเองเราเสียไม่เกิดเราเสียไม่เป็นผู้วิเศษกันก็ต้อ ง, ต, องต้องขึ้นตัวเองต้องปฏิต้องปฏิบัติอเองต้องมีปิติเดินตมอยู่เรื่อยๆให้พิจารณาไปในทางธรรมให้คิดไคิดไปในทางปัญญาคิดไปเรื่อยแล้วก็จะเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมา แล้วมก็จะเป็นตัวที่จะคอยเดินออกไปเองถ้าคิดารณาทางนี้อยู่เรื่อยๆมันก็จะเดินออไปเองอยที่พระพุทธเจ้าทรงสรอนพระอนนุโมทิจแลนมองดาวนิสิติมิสนะเราเกิดมาแล้วต้องตายเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจบ็บต้องตายเป็นธรรมดาไม่มีอะไรในโลกนี้นที่จะกีรังถาวงที่จะให้ความสุข ก, กับเราตลอด เมื่คิดอย่างนี้แล้วมันก็จะทายความหนุ่มมันก็จะไม่ไปเสียเวลากับการไปหาความสุขทางโลกก็จะหันมหาการสุขทางธรรมมันก็จะไปล่อยได้คิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเราต้องบังคับตัวรอย่าให้คิดไปในทางนี้แต่เรองต้องต้อคิดไปเรื่อยๆมาเกิดมแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องท้ท้อจากกันไม่มีอะไรที่จะเป็นความสร็จที่สาวว เป็นเหมือนงานยิงที่มีการทีร่สุดงานยิงไงานยิงที่ไหนจะเวลาไหม่ๆก็สสนานเฮฮาเอาเดือเข้าเดือดเข้าเดือก็ต้องเลิกลากันไปความผิดทางวันธรรมเ น, นี่ยมันมันมันไม่นม่ท่าอย่างความผิดทางธรรมจากการได้ปฏิบัติธรรมได้พบกับความสงบมันจะถาวรมันก็อยู่กับใจเราไปเรย แต่บื้องต้นก็อาจจะเป็นเป็นทับทับไปก่กนอนแต่เมื่อปฏิบัติมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆจนปฏิบัติไปตลอดทพื่อนหายใจเข้าและหายใจออกความเฉด่อยมันก็จะต่อเนื่องไปจนมันเป็นธรรมชาติไปอยู่ติดไปกับใจตลอดเวลาเมื่อพบกับความเฉืแบบนั้นกนะ็จะไม่หิวไม่อยากรับอะไรทั้นั้นไม่เห็นอะไรที่จะยิ่งสือไม่เห็นใครจะยิ่งสื่อยิ่งเส ที่เห็นว่ามีอะไรในโลกนีเ้เสี่ยงนิสโเราสมมติยังขึ้นงานเท่นั้นของทุกอย่างมันก็เอามาทํำผลิตมาจากธาตุสี่ผลิตมาจากดินแล้วดินแล้วที่เขาเรียกอะไรคะของแข็งน้ำก็ที่เป็นของเหลวไฟก็เป็นของร้อนแล้วก็อากาศก็เป็นพวกแาากา๊สต่างๆ ก็มาผสมกันรวมกันผลิตกันถ้าเราศึกษาทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ว่ธีการการผลิตข้าวของต่างๆจะต้องมีท่าทั้งสี่นี้เป็นองค์ประกอบทำให้เป็นกระดาษทําให้เป็นกล่องทาให้เป็นแก้วทําให้เป็นเพล่ทาให้เป็นอะไรต่างๆก็มาจากท่าทั้งสี่นั่นงมันไม่ได้พิเศษอะไรหรอกแม้แต่เทพชที่เราคิดว่ามันมีราคาแพง มากมายหรือทองคำมันก็เป็นโลหะมันไม่ได้ทำเรากินไม่ได้เราสายว่ามีคนต้องการเราจึงสามารถเอาของอาทองเอาเพชรนี้ไปแลกของอื่นมาได้ใช้เองคนมีค่าวเขา อ, อยากได้เพชรเอาเราก็เอาเพชรไปให้เขาเขาเอาข้าวมาให้เรากินแต่ถ้าแต่ถ้าถ้าข้าวหายากต่อไปข้าวอาจจะมีข้ามีค่ากว่าเพชรก็ดได้ ข้าวเพชกินไม่ได้ข้าวกินได้ข้าวไปมีเวลาที่ยุคที่เข้าวยากหมากแพงนี้ข้า ว, าาาวไม่จำเป็นข้าวแล้วต่อไปวัตถุทองคําเรื่อของที่เราให้เป็นข้าราคาอาจจะไม่มีราคาขึ้นเือกันะแต่ว่าคนหิวนี่จะจะย่างกินข้าวไม่จะย่ากินเพชร มันเดินสมมุิทั้นั้าเนี่ยเราสมมติกันขึ้นมาแล้วเราก็หลงไปกับเขาเมื่เราเข้าสังคมก็มีแวนเพชรข้างดวงนีรู้สึว่ามีสักสีขึ้นมามีหน้ามีตาขึ้นมาถ้าไปแล้วไม่มีอะไรใส่ในนิ้วเลยรู้สึกว่าอายเขาน้อยหน้าเขาทําไมต้องคิดอย่างนั้นเลยเพราะความหลงหลอกให้เราคิดแล้ววัดกันอยู่ที่วัตถุเข้าของที่เรามีกัน ถ้าเรามีวัตถุมากเราก็ถือว่าเรามิเศษมากถ้ามีวัตถุน้อยก็วิเศษน้อยโลกนี้เพราะว่าแต่แต่ในสายตาของของธรรมะของผู้ที่ปัญญาในเโลกของธรรมะเขาไม่ได้ละ ก, กันที่วัตถุเขาวัดทีม่รรมนทำวัดที่น้ำใจบางค น, นถ้ามีน้ำใจมากน้อยเท่าไหรมีความชื่อนชมมากน้อยเท่าไหร่ดีตรงนั้นมากกว่า คุนค่าของคนอยู่ตรงนีน้ไม่ได้อยู่ที่ว่าผิดเข้าของเองครับฉันขอให้เราอย่า้องประเด็นอยาน้องกับสิ่ต่างๆในเรื่องนีน้แต่เราก็ต้องมีไว้บ้างเนื่องจากเรายังอยู่ในโลกนี้เราต้องอาศัยสิ่งนี้นอยู่มีไว้เพื่อเพื่อเพื่อสนับสนุนการดำรงชีพของเราก็ดีเพราะเรายัางต้องอาศัยสิ่งนี้บาเพ็ญปฏิบัติทรร เพื่อให้ถ้าจะถึงจุดที่เราไม่ต้องอาศัยมันต่อไปเมื่อเราถึงจุดนั้นแล้วจนะเป็นจะตายก็เท่ากันไม่เหลือรอนอะไรแต่ตอนนี้เรายังต้องอาศัยมันเหมือนกับเรือเราจะท่ามฟ้าเราก็ต้องอาศัยเรือเมื่อยังไม่ถึงฝั่งนู้นก็อย่าเพิ่งไปจมเรือเพราต้องถ้าจมเรือก็ต้องวายเองร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนเรือที่จะพาเราข้ามฟ้าจากโลกนี้ไปสู่ ในสู่ข้าของข้าริษฐานกางการนี้ก็เป็นเรือคุณยาจะต้องอาศัยเป็นไปก็ต้องดูแลกันก็ต้องมีบ้างมีทรัพย์เงินข้ามสองเงินทางไว้สนับสนุนแต่ให้มีพอประมาณพออยู่พอกินอย่าหมดเวลาไปกับการหาเงนนอนเพราะเราจะไม่มีเวลาที่จะไปปฏิบัติกัน หาพอสมควรหาให้ใช้เวลาให้น้อยที่สุดเพื่อเราจะได้มีเวลามากไปในการไปในการปฏิบัติเพราะว่าถ้าเราหามามาก ม, า ม, ามีมีงินมากเกินเดี๋ยวมันก็จะคิดไปในทางทเกยนแทนที่จะเอาไปทํบวญเน้่ยนะเข้าวัดปฏิบัติทางก็คิดว่าเอานง้นไปนเที่ยวดีกว่าไปซื้อสิ่งของฟึ่เคยนไปซื้อความสแล้วมันก็จะติดเป็นเหมือนยาเสพติด พอเที่ยวแล้ก็อยากจะเที่ยอีกพอซื้อของผู้เฟยอยใจก็อยากจะซื้ออีกต้องกลับมาหาเงินใหมมันก็เลยไม่ได้ไปวัดถิงไม่ได้ไปปริบัติธรรมที่ันต้องพยายามตัดความจุกทางโลกไม่ว่าจะเป็นการซื้อของผู้เฟยต่างๆหรือการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆตัดลงไปจำเ น, น้นยาเสพติดมันไม่ได้ทาให้เราวิเศษวิโสขึ้มนมา แต่มันจะทำให้เราติดอย่างหวังแยงเราไม่เราต้องเรียนมากการเกิดหลายทุกขหลายท่านต้งพยายามขับตัวเองขับตัวเรามาัำเพศญบำธรรมเพื่อให้ได้มีมีข้อคิดที่จะให้กำลังใจให้เรามีกำลังใจให้เราคิดไปในทางที่ถูกเมื่อเราคิดไปในทางที่ถูกแล้วมันก็จะพาเราไป ถ้าเราไปสูการปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติแล้วเราก็จะพบกับผมแด้พบกับผมได้พบกับความสุก็จะมีกําลังใจเพิ่มมากขึ้นกไปไเรื่อยๆจนในที่สก็จะไม่ให้ความไม่สนใจกับเรื่องอื่นแต่สนใ จ, จกับการปฏิบัติอย่างเดียวถ้าอย่างนี้แล้วไม่ไม่ไม่ ไ, ม ไ, มไมนานก็ถึงจุดหม า, ายปการทำถึงถึงพลังงานสุด ข, ขั้ว มัอารมณ์มาสุดแต่นี้ต่นี่จุดที่ไม่ต้องไปเกินอีกต่อไปเนี่ยไม่ต้องใจเย็นว่าการเกิดให้ให้ทุกข์ให้ยากให้ลำบากก็ขอสรุปตรงนี้ตร ง, ร น, น, ตรงนี้ให้พยายามขับรำตรงเองอย่าไปฝันว่าครูบาอาจารย์หรือพระผีอาจารย์มาช่วยเราได้ในเรื่องการปฏิบัติท่านช่วยเราได้เเพียงในการบอกทาง การปฏิบัติการผักตัวเลยเองให้ปฏิบัติเนี่เราต้องผักเองถ้าฉันพูดถึงเรื่องเอยุคที่ไม่มีพุทธศาสนานะฮะคนยังปฏิบัติอยู่พวกเราเนี่ยมีโอกาสได้เจออย่างนั้นไหมครับหรือยังเจอโอกาสมันเยอะกว่าโอกาสที่ไดเจอมันเยอะเอะพราะว่ายุคของพระนพุทธศาสนาเ น, นี่ยถ้า ตมื่อถ้าเราเปรียบเทียบเวลาเวลาเราจุดไม้ถีเนี่ยนุ่งมันก็หมดนะครับผมลอาอยู่ในที่มืดเรามีไม้ขีดอยู่ก้านเดียวเราต้องการแสงสว่างแล้วเรจุดไม่ขีแล้วมันถ้าีนทีถ้าขีดวินาทีมันก็ดับในห้าพันปีเมื่อมันเปรียบเทียบกับดับเนี่ันกเป็นเหมือนกับชือดเชือเวนาทีเดียวเท่านั้นเอง แสงจ้าสว่างของพลกวิทยาศาสนานี้มันเปลี่ยนเหมืนแสงสว่างของการมีจฉิตระยะความยาวของมันม we ันเนอย่งนั้นเพียงแต่ว่าความยาวของกับเวลาของการมิจิมนี้มันยังยาวกว่าอายุของเราอายุของเรายี่ห้อสั้นกานั้นเปนแค่งควาเปรียบเทียบในในลักษณะนี้ที่เรามีอายุ80ปีพระพระจากรนามีอายุ 5,000 ปีแต่ระหว่างกาลเวลา เราเวลาเราหลังว่ามันถึงศาสนาแต่ละอันนี้มันเป็นกลับเป็นการคาว่ากาบนี่ท่านก็บอกว่ามันยาวนานยาวกว่าเป็น่ะยาวกว่าล้านล้านปีแล้วละกันบาทีโลกนี้อยากจะหายไปหมดแล้วก็ได้โลกนี้มันคือโลกที่จะมีให้มนุษย์อยู่มันไม่ได้มีแต่เฉพาะโลกนี้โลกเดียวเพราะเวลาที่ผ่านมามันยาวงานนี่เกิแล้ว จักร ว, วาลหโลกแห่งโลกนี้มันมีอายุไขของมันเองโลกเนี้อาจจะมีอายุไขัหมื่นล้านปีในที่สุดมัก็ต้องมันก็ต้องหมดสภาพเช่นในสุริยะจักร ว, วาลเราก็เกิดดวงอาทิตย์หมดไฟหมดแล้วจะทำไงโลกวันนี้ก็จะหนาวเย็นไปหมดไม่มีสารโลกจะมาเกิดไม่ได้สารโลกก็ ต, ต้องไปหาสุริยะจักร ว, วาลอีกอันที่มีโลกคล้ายๆของเราที่สามารถเกิดได้ แล้วก็ไปเกิดกันที่นั่นหลยแต่ได่ขนมาวันก็ยังผู้รู้ยังพอมีอยู่นะก็ก็ก็พวกเราเนี่แหละที่ายกันรู้บ้างเรานอนก็ไปจะเกิดใหม่กันใจของเราไม่ตายอืมเมื่อโลกนี้ไม่มีที่อยู่เหมือนกับเม่อเมื่อไม่ไม่เราไม่สามารถสร้างบ้านตรงนี้ได้เราก็ไปหาที่ตรงอื่นที่เราสร้างบ้านได้ แล้วก็ไปเจอกันใหม่แล้วก็มานั่งทำอย่างนี้กันหม่ <c oughs> ทำไปเรื่อยๆเป็นการจะขยับไปเรื่อยๆราวหน้าจะมาเป็นพระกันก็ได้ <มา S 1> เป็นบวชเป็นเป็นชีเป็นพิชซูรีก็ได้มันก็ค่อยๆพัฒน า, ปน า, ยยาไปเรื่อยๆอาจารย์บอกว่าให้โตในนิพพานตอนเี้นะคะคือเรื่อกับให้ลอง ที่เรือเราเราสร้างมาฟังส้างจานเนี่ยก็เป็นเส้นกระตุ้นอย่างแต่มันเป็นกระตุ้นขัวเท้าก็เท้าของก็ถึงหัวต้องเอาไปคิดต่อเนี่ยถึงเวลาได้มีนได้สอนเราต้องเอาติดไปขับใจเราเอาไปทบทวนเอาไปคไขขวดที่สอนอยาให้คิดถึงความแก่ความเจ็บความใจเรื่องอันนี้ถ้าทําได้ก็ ก็เหมือนกับได้ได้ฟังตลอดเพราะที่คุณมาตลอดเนี่ยที่คุณมากี่กี่นาทีนี้ถล่มใจความยมก็อยู่ตรงเนี้ยตรงที่ให้เราคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนพระอังคารให้เราได้ถึงความายทุกลมหายใจเข้าทำมาแล้วถึงความตายแล้วมันก็จะเบื่อหน่ายชีวิตมันจะเบื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันจะหาย เป็นยาแก้หลงมานามุสติเนี้เป็นเป็นยาแก้หลงเมื่อเราคิดว่าความกายมันเป็นสิ่งที่เราเลีเ่ยงไม่ได้เม่เราโม่แต่หาทางฝึกช้าใกันเลยมันก็ต้องไปเจอทางตายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เราหามาถ้าเป็นทับตายมันก็จะหมดความหมายไปแล้วไป้าไปแบบไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวกัน ก็จะทาให้เราหันมาสนใจในการศึกษาและปฏิบัติให้เราจเจริญสติมากขึ้นทําจิตให้สงบมากขึ้นให้ปล่อยวางให้มากขึ้นมันอยู่ที่เราจะคิดถ้าเราคิดอยู่เรื่อยๆทั้งวันทั้งคืนมันก็จะไปทางนี้แต่เราไม่คิดกันเดี๋ยวเราไปถึงแล้วก็คุยนะเดี๋ยวจะไปไหนดี แล้วคิดถึงงานการที่จะต้องทํารืการนัดหมายที่ได้นัดหมายไปแล้วอะไรสักอย่มันก็จะถูกรากออาไปทันทีต่อพอออกจากที่นี้ไปแล้วมันก็เลวเรื่องอื่มันก็เข้ามาลกลบไปหมดเรื่อที่ต้องช่วยตัวเองก็ตรง น, นี้เราต้องคิดอยู่เรื่อยคนนึ่นคิดคิดแทนเราได้ละ ครามคิดงเราเนี่มันเหมือนกับเหมือนกับดูโทรทัศเนี่ยมันมีหลายช่องแต่ช่องเนึ่ยมันก็มันก็เป็นอย่างเกิดเปิดไปช่องมันก็เป็นอย่างเราคิดเรื่องนี้มันก็เป็นอย่างคิดอีกเรื่องมันก็เป็นอย่างถ้าคิดไปในทางธรรมมันก็จะเดินเราไปในทางธรรมถ้าเราคิดไปในทางโลกมันก็จะเดินเราไปในทางโลกทางานก็จะคิดถึงตําแหน่งที่จะก้าวขึ้นไป คิดวิธีจะ ท, ทําการค้าขายได้คิดขยายกิจการมันก็มีเรื่องของมันที่จะคิดต่างๆนั่นเลยแต่ถ้าคิดว่าจะทําไปถึงไหนกันทาไปทำไนทํำไปเพื่ออะไรได้มาแล้วมันทําให้เรามีความสุขมากขึ้นหรือต่างหรือมีความทุกข์มากขึ้นมีความกังวลมากขึ้นมีความกดดันมากขึ้น เราไม่คิดกันนะเราปล่อยให้ความรู้สึกพาไปความรู้สึกมันจะออกเราสมมติว่าดีดีดียิ่งสูงยิ่ดียิ่งมากยิ่งดียี่งใหญ่ยินดีอาจจะคิดว่ามันมันปวดหัวมากขึ้นหรือตามีความทุกข์ความยิ่นลอยใจมากขึ้นหรือเาใจเราเราไม่ค่อยดูใจเราเวลาเรามีมากมีใจเราจะว่างม่นจะปวนมากขึ้น เวลามีน้อยใ จ, จยมันจะไม่ค่อยตัดต่วนใ่ไมันจะสงบเพราะมันไม่มีอะไรต้องคอยคอยกังวลต้องคอยดูแลรักษามองไม่เห็นใจกันไม่เคยดูใจคนอยากจะมองไปข้างนอกถูกความหลงมันหลอกให้ไปมองไปข้างนอกเมื่อมองไปข้างนอกก็เห็นว่าเออมีมากยิ่งดี มีกำลังสูงขึ้นก็ยิ่งดีเพราะว่ามั น, ม, นมีคนเคารพนับถือเรามากขึ้นมีอำนาจมากขึ้ น, ม, นามากขึ้นแต่ไม่เห็นว่าความปันป่วนความวุ่นวายใจยมันก็มีมากขึ้นความไม่มั่นมั่นคงในจิตใจก็มีมากขึ้นก็รู้ว่ายิ่งยิ่งขึ้นสูงเทาไหรโอกาสที่มันจะตกลองอมามันก็มีมากขึ้นแล้วตกลงมาก็เจ็บมากขึ้นเด้วยถ้าอยู่สูงนั้นตกลงมามันเจ็บนี้มากกว่าอยู่ต่ำ แต่ไม่ค่อยคิดทางด้านจิตใจไ ม, ไ ม, ไม่ไม่รู้ว่าจิตใจตเป็เยงงี่ไม่มีความสุขเลยมีแต่ความเครียดทังเกต ด, ดูพวกที่เป็นผู้บริหาร <c oughs> ผมจะขาวกันนี้ <c oughs> <c oughs> พวกลูกน้องนี่ผมจะไม่ค่อยขาวเลยพราะไม่ต้องแบบแบกแบบความรับผิดชอ วันที่เป็นนายยกนี่ผมขาวพอตกจากให้มีแล้วไม่กี่ปีผมดำไปหน้าตาก็หนุาามขึ้น <c oughs> ถ้าคิดอย่างนั้นก็ดีการส่วนใหญ่พอมีแล้วมันไม่มันลืมไป้นะมันมักจะถูกกิเหลือนแย่งไปก่อนความตั้งใที่จะทำบุญเยอะๆแต่พอมีแล้ว ไอ้นั่นก็สวยไอ น, นี่จะดีไอ้นั่นก็น่าไปเที่ยวเขาแบ่งไม่หน่อยแ <c> ต <oughs> ่ทั้งทีอย่ยไปทำงานเพื่อเอาเองินมาทำบุญทำงานเพื่อเลี้ยงปาเลียงทองเพื่อให้มีเวลาไปปฏิบัติธรรมจะดีกว่าเพราะบุญที่ได้จากการให้เนี่ยมันมันน้อยมันไม่มากเท่ากับบุญที่ไดจากการปฏิบัติธรรม การทำานรักษาเีงที่ให้ทําบุญให้ทานนี้นก็เพราะว่าเรามีเหลือกินเหลือใช้อาจจะเป็นวิญวัฒนาของเราที่เราเรามีความจําเป็นต้องทำมาหาเกินจะทําเก่งทําแล้วได้มากกว่าแม้มากกว่าที่เราต้องมีต้องใช้ก็ให้อาไปทําพุ่อัวแต่อย่าไปตั้งเป้า อ, อยู่ที่ทําเพื่อไปหาเงินมามาทําบำตัว มันไม่ไม่ใช่เป็นต้อมอะไรที่ได้กินมันก็เป็นการหลอกตัวเองจะได้ทํางานได้จะได้มีจะได้ไม่ต้องไปรักษาสิจะได้ไม่ต้องไปปฏิบัติเห็นบางคนเขาถวายทองเห็นตามเยอะๆเราอยากถวายมากกว่านะพี่เขาถวายเพราะเมีอยู่แล้วไงแต่เราไม่มีเราก็ไม่ต้องสถวายพระนี่พรก็ไม่มีก็ไม่ได้ไม่ได้เดือดดายนี่มีก็ไม่มี แต่พระที่่านมีคนไปถวายท่านเช่นครูบาาจารย์บางคนมีรู้สึกไปถวายท่านท่า น, า น, า น, านกอนามนำมาถวายแต่ท่านไม่ได้ไปเรื่อยไปไปเสียเวลากับการไปหาทองมามันมาเพราะบารมีเพราะหุนเพราะคุณงามทางดีเพราะความขยันหมั่นเพียรของเราเมื่อเราต้องทํามาหากินเรื่องปา่งท้งแต่เราได้มามากกว่าที่เราต้องการ ที่หรือพระก่อความกันเป็นเราก็เอาเนี้ยไปไ ป, ไปทำบุญเสียไปไม่ให้หวงไม่ให้เก็บไว้แต่ไม่ไดให้ไปทำหน้ากินเพื่อหาเงนินหาทองมาทําบุญแต่มันก็ยังดีกว่าคนที่ไม่ถำหน้ากินแล้วไม่ยอมทำํำบุญเลยงา <c oughs> น, นยิงไม่ได้อะไรเลยอย่างไรเราก็ยังได้สะสมบุญบาวอยู่ไปพุมหน้าชาแนลเราก็ ได้สุดได้สบายแต่มันไม่พอมันก็ยังบนเวียนอยู่ในอ่างบนเวียนอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ที่ทางการให้ไปคือ ใ, ให้ไปให้หลุดจากคจา ง, ง, งจรวงโคจรอย่างนี้ให้วงจรนบ่ายวงจรแห่งการเกิดแก่เกิดตายเราไปได้แล้วต่อเมื่อเราสับเราปล่อยวางละความสุกขัางโลก ก็เข้าสื่ทางสบทางทรมเข้าสือภายในเข้าสูา่ภายใจิาขอางจิตใจคนในสังคมเขาหาเงินได้ก็มีความคิดว่าจะเก็บเอาไว้ในภายภาคหน้าบ้างเก็บไว้ให้ลูกหลานบ้างไว้่างนีก็ก็คิดแบบนี้เยอะเหมนกัน ก็ได้ก็คิดก็ก็แบ่งไว้ไงคือับื่องจำเป็นที่จะต้องให้เต็มไว้ทั้งหมดให้เท่าที่จำเป็นเขาอยู่อย่างสบายไม่เดือดรอแล้วก็คิดถึงความเดือดร้อของผู้หญิงบ้ายิ่งบนก็ไว้จากัอร้อยน้า้าง้างเสร็จเราสบายนะมันก็ช่วยเหลือคนที่เขาต้องา ที่เวลาเดี่ดยให้ให้สรวจชองไปรับสารตัวในร่างกาจะได้มีอาการอย่แจงอย่างนี้ตั้งแต่โยมยังมีความเป็นเป็นต้องทํางานการทําการทํางา น, นที่ทำสิ่งภายนอกเนี่ยนะฮะเราก็ทํำยังไงที่มันจะได้ไม่ไม่ทุกข์มากยังทักยจังเป็นอยู่นะฮะ ไม่ทุก็คือเราต้องไม่ยึดติดกับงานยนะุ่งเหยคือความที่จะออกเมื่อไรก็ได้คือเราทําหน้าที่ของเราให้ดีให้ถึงก็แล้วกันนี่ถ้าเราใม่ไม่ไม่ผู้ที่เขาเป็นคนจ้างเราก็าไม่พอใจเขาจะให้เราออกเราก็ต อ, อ, อก็ออกเราก็จะไม่เคื่อ ที่เราจะทำอย่างนี้ได้แล้วตอนนี้เราเป็นคนที่มักน้อยสํงังกบคือเราไม่ใช้เงินมากเงินที่เราหาได้เราก็เก็บเก็บเป็นเงินํารองนะถ้าเกิดต้องออกจากงานเมื่อไหรเราก็ยังมีเงินที่เราเก็บมาเนี้ยังต่างเล่นทองเราถ้าเราไม่ใช้เงินไปในของที่ฟุ่มเฟือยใช้เงินไปกับการเที่ยวเสียแล้วก็ งินส่วนใหญ่ที่เราหาได้ที่เราเห็นเห็นไม่ได้เยอะเก็บไม่ได้เยอะ<ม>พอที่จะไม่กังวลกับงานที่เราทำคนเราส่วนใหญ่ที่กังวลเพราะว่ากลัวว่าจะจะตกงานกลัวจะโดนจัดงานหรือกลัวจะไม่ได้ขึ้นไม่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาําแหน่งกลัวจะน้อยหน้าเพื่อนถือเราอย่าไปแข่งกันในทางนั้นเลยว่าที่ว่าการทํางานนี้เป็นการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องท่านนั่นเอง เรื่องตำแหน่งนี้ก็เป็นเของแถมมาเราอย่าไปหลงยึดติดกับตําแหน่งเวลารเราเป็ น, ปนหัวหน้าแล้วเรามีลูกน้องเราก็อย่าไปคิดว่าเขาไป็นลูกน้องเราเป็นหัวหน้าคิดว่าเราเป็นเพื่อนทํางานกันงแต่เรามีหน้าที่ที่ต้องนาําเขาถนนเองเราก็นําเขาด้วยความเมตตาไม่ได้ถือว่าเราวิเศษวิโสกับเขาคิดว่าเราก็เป็นลูกจ้างเหมือน ก, กัน ถ้าเราไม่หลงตัวเองแล้วเราก็จะไม่ยึดติดกับตําแหน่งต่างๆพอถึงเวลาที่เขาจะเปลี่ยนให้เรามเป็นลูกน้องบ้างให้คนอื่งขึ้นมาเป็นลูกพี่บ้างเราจะไม่ยึดสึดเขียนหน้าเพราะเราไม่ไม่ไหลงยึดติดกับตําแหน่งนั้นๆเราคิดว่าเราก็เป็นลูกจ้างเสมอเพียงแต่เราอาจจะโชคดีหรือมีความรู้ความสามารถที่ทําให้เรา้ได้ มีโอกาสทําหน้าที่เป็นหัวหน้าเทาน่นั้นเองแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเขาไม่พอใจไม่ต้อยอยากจะให้คนอื่นขึ้นมาทําแทนมาบ้างเราก็พร้อมที่จะให้เขาขึ้นมาทําต่อแล้วก็กลับไปเป็นลูกน้องก็ได้ความที่เป็นลูกน้องมันก็สบายกว่าเยอะไม่ต้องมาคิดรองฟองแต่ทคำสั่งอย่างเดียวง่ายกว่า ท่านอาจรย่เลงต้องการกัู้ธรรมานี่นะครับจเราต้องเวลานั้นบงทีในณที่ท่านอาจารสอนเนี่ยี่งทื่ังเราคิดตามไปเลยเพราะฉะนั้นพอเวลาที่คิดตามไปบงทีสิงที่่านจารพูดต่อเราเราฟังไม่ทำตัวมลอจะไปคิดที่ให้เหมือนปัญญาเดินในเรื่องที่ท่านอาจารอันนั้นก็ไม่สมควนทาจริงสมควรเนี่ยเวลาฟังเนี่ยท่านสอนเราฟังได้สองสองลักษณะ ฟังให้เกิดปัญญาไห้เกิดให้ให้เกิดสมาธิการฟังรับพิจารณาตามนี้เรียกว่าเป็นการฟังเพื่อให้เกิดปัญญาว่าท่านพูดอะไรเรารพิจารณาตามตามเหตุตามผลถ้าเข้าใจแล้วก็เข้าใจเมื่อเราเข้าใจแล้วมันก็เป็นปัญญาเราก็รู้ว่าเราสามารถจะนําออกไปปฏิบลลัติได้อย่างที่เมื่อกี้ถามเรื่องการทํางานที่ไม่เครียดให้ทํำยังไงเราบอกว่าต้องทําอย่างนี้ทำอย่างนี้ เขาฟังแล้วก็พิจารณาตามเออต่อไปแล้วต้องเปลี่ยนวิถีการการมองเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็นำไปปฏิบัติได้มันก็เป็นปัญญาแต่ถ้าพูดในเรื่องบางเรื่องที่มันอาจจะลึกหรือ ก, กว้างกว่าที่เราจะเข้าใจได้ตอนนั้นเราก็ต้องผ่านไปก่อนต้องยามรับว่าปัญญาเรายังตามไม่ทันก็ไม่เป็นไร เพราะการฟังแต่ละครังนี้มันอาจจะได้ขยับจากขั้นหนึ่งไปสู่อีกขั้นหนึ่งแล้วพราะขั้นต่อไปขั้นต่อไปนี่เราไปไม่ทันเพราะว่าความสติปัญญาเราพิจารณาตามไม่ทันก็ไม่เป็นไรว่าข่าวน่าข่าวน่าเราก็มาน่อยขั้นอีกขั้นเพราะการแสดงธรรมส่วนใหญ่บางทีท่านก็จะเริ่มต้นจากขั้นต่าไปสู่ขั้นสูงเรื่อยๆพอมาถึงขั้นที่เราอยู่นั้นเราก็จะรอรับรอฟังต่อ ท่านที่เราผ่านมาแล้วเราก็ทบทวนหรือว่าความคิดของเรากับความคิดของท่านมันตรงกันหรือเปล่าเหตุผลของท่านอย่างนี่วเราไม่ตรงกันหรือเปล่าเป็นการตอบย้ำความเข้าใจความปัญญาเราจริงนี้เียก็เป็นการฟังเพื่อปัญญาแต่ถ้าเราฟังแล้วเราไม่เข้าใจเลยเพราะเราพิจารณาสา่ไม่ทันเรามีปัญญาน้อยมากก็ให้ฟังแต่เสียงกันเรื่อยๆแล้วจดจ่ออยู่กับเสียงนั้นไป อย่างนั้นก็จะเป็นเหมือนเหมือนพุโทโธพุธโทโธให้เราเกบะใจเราไม่ไปคิดเรื่องอะไรมันก็จะดึงใจให้เราสงบได้เข้าสู่ควาสมสงได้ก็จะเป็นสมาธินั่นคือการฟังโดยไม่พิจารณาต่างเพียงแต่อาศัยเสียงที่เราฟังนั้นอาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่ก็ไม่ไม่สนใจไม่ไม่กัวงวลเพราะถ้ากังวลแล้วมันก็จะเกิดควา ม, ามทุง้างขึ้นมา เกิฟัวามมึนหงหงิใจขึจ้นมาลำคานใจขึ้นมาฟังแล้วไม่เรื่องนนี้จะฟังไปทำไมาอันนี้ก็อย่าไปคิดแล้วก็ฟังไปฟังไปพอถึงจุดที่เราไม่เข้าใจแล้วก็ฟังแต่เสียงไปงก็รักันอย่ไปคิดอะไรฟังตามเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็งงฟังไปนิดนะึงก็จะเป็นสมาธิเวลาฟังจะไม่จําเป็นจะต้องพุโทโธพุทโธไปแล้วดูลมหายใจไป พุโทโธพุโทโธหรือลมห า, านี้หมายถึงใช้ในขณะที่เราอยู่คนเดียวขณะที่เราภาวนาขณะที่เราฟังนี่ต้องต้องถือเสียงที่มากระทบกับหูนี่เป็นเป็นองค์ภาวนาฟังแล้วเกาะอยู่กับเสียงนั้นเฉยเไม่คิดต่างก็ได้หรือพิจารณาต่างก็ได้ก็ผลก็จะได้ต่างกันถ้าพิจารณาตามก็จะเกิดปัญญาก็จะบรรลุได้ จะบรรลุได้ต้องพิจารณาตายแต่ถ้าฟังแล้วเกาะปรับเสียงนั้นตายไม่ไปคิดเรื่องอืง่นมันก็จะสงบแต่นั่นมันก็จะเป็นสมาธิสมาธินี้ดับกิเลสไม่ได้เพราะกิเลสนี้เกิดจากความหลงความไม่เข้าใจและความเข้าใจผิดเราต้องฟังให้เกิดปัญญาเพื่อจะได้เกิดความเข้าใจที่ถึกต้องมีความเห็นที่ถึกตั้งมาระงรับดับความหลงได้ เช่นเมื่อก่อนนี้เราหลงว่าโลกนี้มันแบนถ้าเรามองไปที่ไหนมันก็มันกระแบงนอยูแต่มีนักปราชญ์เขาก็มาสอนิดให้เรามองว่าโลกนี้มันมันตรงให้เราพิสูจน์ได้ด้วยการดูว่าเรือที่วิ่งเข้ามาจากจากทะเลเวลามาพอตอนแรกมันอยู่ไกลามากแล้วก็มองไม่เห็นพอมันใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเรือ่อยเรเราก็จะเริ่มเห็นเรือ แต่เราจะเห็นส่วนไหนก่อนของเรือถ้าเป็นโลกโลกถ้าโลกมันเป็นใบมันมั็นเครื่องรับเราก็จะต้องเห็นทุกส่วนพร้อมกันใช่ไหมเห็นตัวเรือเห็นเสาเห็นเห็นเสากระโดงเห็นทงที่ตัดอยู่บนยอดเสาพร้อมๆกันตัดตัวเรือแต่ถ้ามันเป็นโลกที่ตรงมันก็ต้องโค้งมันก็เป็นต้องโค้งเว้ามันก็เหมือนกับคนที่ขี่ม้าข้ามเขามา เราจะไม่เห็นคนก่อนเราจะเห็นธงที่เขาปักอยู่ลงที่ก็ที่ก็ชูมาก่อนแล้วเราจะเห็นคนขี่ก่อนที่จะเป็นตัวมาว้าเพราะคนมันถึงปักพราะมันข้ามมาทางคนอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่จะทําให้เราเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเหตุผลที่ท่านสแสดงในทางธรรมก็ให้เรามองความไม่เที่ยงว่าไม่มีอะไรเที่ยงที่อย่างมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวล า, าแต่เราไม่มองกัน เราคิดว่ามันเดาหน้าตาเหมือนเดิมทุกวันทุกวันแต่ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างช้างพอเราไปถ่ายรูปไปดูรูปที่เราถ่ายไว้เมื่อสิบปีก่อนแล้วดูหน้าตาเราวันนี้ว่าไอ้หนึ่งคนละคนเลแต่ถ้าเราดูหน้าตาของเราทุกวันนนเลยกระจงมันก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเพราะมันเปลี่ยนช้าแต่มันเปลี่ยนแต่เรเราไม่รู้สึก ควมหลงมันจะทําให้เราไม่คิดเราจะให้เราคิดว่าเราจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดถ้าพอเราพอเริ่มเปลี่ยนเข้ามาพอมาเริ่มรู้รูสึกตัวเองเี่ยสายแล้วคิดว่าแัวเงสาวอยู่เรื่อยพอมาดูหน้าตาเนี่ยทาไมมันย่นไปนหมดหัวมันหิวผมมันขาวบางทีก็เกิดความวิตกกันขึ้นมเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาเพราะไม่อยากแก่ แต่ถ้าเราพิจารณาสอนใจเรื่อยแล้วให้รับความจริงนี้พอเวลามันเกิดขึ้นแนละ้วใจเราจะรู้สึกเฉยๆมันดับความทุกข์ได้เตุที่พวกเรายังทุกข์กันหวาดกลัวกับความตายกัเป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้สอนใจเราให้ให้ซึ้งให้รับความจริงอันนี้ทั่ไหมหว่ามันเป็นความจริงว่าเราไม่สอนมันเรากลัวมันมากจนกระทั่งไม่กล้าคิดถึงมัน พอคิดถึงความตายแล้วจใจมันสั่นไปหมดใจมันความสุขมันหายไปหมดจะอยากจะไปเที่ยวไห น, นมันมันกดไปหมดมันไปมันมันมนทําให้กิเลสพยายานต่อต้านไม่ให้เราคิดถึงเรื่องเหล่านี้ให้เราลืมลืมไปเรื่อยๆเพือ่อเราจะได้หลงไปกับการหาความสุ ข, ขความสนานเฮฮาของเราไปเรื่อยๆใจของเราจึงไม่พร้อมที่จะรับกับความตายเวลาที่มัน มีอะไรมากระทบกับใจที่ทําให้รู้สึกว่าความตายนี้มันใกล้เนอะนีะ่ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาอย่างมากแต่ถ้าเราเร า, เราสอนใจอยู่เรื่อยว่าร่างกายนี้มันจะต้องฝ่ายแน่ๆเนะ่ยเราก็สอนเอาไว้มันจะตายแบบไหนเนะี่ยมันจะตกขึ้นดินตายจปโดนน็อตชนตายจะจมน้ำตายจะถูกเข้ายินตายพันตายจะเป็นอะไรตายจะ เป็นโลกอะไรตายอะก็ท้อบคิดไปเรื่อยๆทดลองว่าจะตายแบบไหนดีวันนี้ลองตายแบบนี้ทุกนี้ตายแบบนั้นดูคิดมันจะเรื่อยๆให้มันถึงแล้วก็ยามรับกับความตายแบบนี้พอถึงเวลาที่มันจะเกิดขึ้นแล้วราก็เหมือนกับเราต้อนเล่นละครอยางละท้อนบทนี้ไว้ละพอถึงเวลาจะต้องเล่นบทนี้ก็เล่นนย่าะเพราะคนเล่นมันไม่ได้ตายนะคนที่ตายมันแบมันไม่รู้เรื่องในร่างกายมันไม่รู้เรื่อง จะไอ้คนที่จะต้องเล่นบทนี่มันมันไิ่วายไปเองมันเพิ่งจะเลนบทใหนพอร่างการน่มันเป็นเราเป็นเป็นตัวตัวได้พอเวลาเล่นจริงเหนื่ยให้้มึงมึงซ้อมอยาเียเราเราซ้อมอยู่แต่พอมันเวลาเล่นจริงเนี้ยตาจะตึตงี้เงเลยเพราะว่ามันมันยึดมันยังยึดติดอยู่ัยึดติดขณะที่เราซ้อมนี่เรายังไม่ได้ไป จะเจกับเหตการเกจริงเราก็ยังรู้สึวมันัมนมันยังปลอดภัยแต่พอเราต้องไปอยู่ที่เตลือเตีือกลวๆอย่นงเนี้ยพลังใจมันจะส่นเลยมันจะเราสั่งเราสายไปแต่ถ้าเราศึกษอยู่เรือยๆเนจับเคล็ดมันได้ว่าต้องยอมต้องปล่อยอะไรเงี้ยมันต้องเป็นเน่ ถ้ายอมรับความจริงแล้วมันก็จะมันก็จะดับความความความวุ่นวายใจได้ กที่เขจะขัดทางโลกนะพี่ได้ลองไปเล่นสงครามชาวเพราะว่าเป็นร้านดีนะเรื่กาคุยก็ทาโลกกับทางธรรมยังคนละทางกันอยู่แล้วเนี่ยนเออการคือการคือความหลงความหลงเร็คิดอย่างนี้เพราะว่าความหลงทำให้เราอยากจะอยู่ไปนานาความอยากนี้ก็เป็นกิเลสเป็นปัญหาละเพราะมันขัดกับความจริง มีใครอยู่ไปนานๆได้่ะการคิดแล้วไม่คิดต่างตายนี้มันไม่ได้ไปแกล้ความจริงะความจริงมันก็นเหมือนเดิมต่องให้ไม่คิดถึงความตายถึงขนาดมันก็ตายกันอย่างนั้นแหะแต่ความที่คิดแล้วมันมันตายอย่างสบายอยู่ก็ยังสบายคือไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายกับความตายเมื่อเรารับมันได้ลนะเมื่อเราตัดเมื่อเรารู้แล้วว่าอะไรที่ทําให้จิตของเรานี้วุ่นวายก็คือความยึดติดในร่างกาย เราไม่ปล่อยมันทันเลยพอเราปล่อยมันได้แล้วเราก็สบายร่การมันก็ยังอยู่ต่อไปเมื่อถึงเวลามันควันมันมันก็ไม่ทําให้เราวุ่นาาวายเวลามันอยู่เราก็ไม่ห่ว ง, มวง ไ, ไม่กังวลกันเลยแต่พวกที่มายอมคิดอย่างนี้พอมีเหตุการณ์ไหนเราเป็นห่ว ง, ปยยงเป็นใยกันเป็นเรื่องป่าเกิดอะไรขึ้นวอ่นวายเไปหมด แต่คนที่พิจาราแล้วปล่อยแล้วทิ้งเถอะเป็นก็เป็นไไม่เป็นก็ไม่เป็นใครใครไปห้ามมันได้เวลามันจะเป็น ท, ที่ที่สอนให้ทั้งวันนี้เพื่อแก้ความทุกข์ใจไม่ได้ไปแก้ความเป็นความตายความเป็นความตายเขาก็ต้องเป็นปายทางเหตุปัจัของเขาม่อถึงเวลาให้เขาไปแล้วไม่มีใครต่อให้ทางมาฉุดก็ช่วนไม่ได้ เมื่อถึงเวลาจะยังไม่ไปต่อให้ช้างผกดังงานมันก็ไม่ไปความจริงมันเป็นอย่างนี้แต่ที่ต้องมาแก้ก็คือใจความวุ่นลายใจความหวัดกลัวที่ยังมีอยู่ในใจอี้ยอันนี้แก้นด้แก้ด้วยปัญญาด้วยการสอนใจว่ามันต้องเกิดแน่ๆและเมื่อมันเกิดเราก็ต้องล้วก็ต้อง ยอมรับมันเราต้องปล่อยมันให้ได้อย่าไปยึดไปติดมันเหมื น, นกับของที่เรายืมมาเนี่ยเรารู้ว่าเราต้องคืนเจ้าของนะเราจะไม่ค่อยวุ่นวายเท่าไหร่เวลาต้องมาทวงคืนไปเพราะเราไม่ได้ยึดติดกับของอันนั้นแต่ถ้าเป็นของที่เราคิดว่าไม่มีเจ้าของแล้ว เ, เป็นของเราเนี่ยพอเกิดเจ้าของก็มาเอาไปเราจะวุ่นวายหรือนะเราต่อสู้กันในโงรงศาลเป็นโรงพิจารับ แต่ความจริงแล้วทุกอย่างมันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงมันมีโอกาสที่จะจากเราไปได้เสมอในเวลาดังเวลาเนี่ยแล้วเราต้องเตรียมพร้อมที่จะให้มันจากเราไปถ้าเราพร้อมแล้วเราก็จะไม่ทิกถ้าเราไม่พร้อมมันก็จะวุ่นวายอย่างเนี้ยกินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นห่วงเป็นกังวลไม่มีที่พึ่ง จึงๆว่าไม่ไม่ควรมีอะไรดีที่สุดแ้่แต่ร่างกายนี้ไม่มีได้ก็ย่งดีแต่เมื่อมันมีแล้วก็ถ้าเรายังมีภาระที่เราต้องทำมิุระที่ต้องทำก็คือป ล, ปลดปล่อยจิตใจจากการยึดติดเราก็ต้องทำต้องอาศัยร่างกายนี้เป็นเป็นเครื่องมือถ้าเมื่อได้ทาภารกิจของลรทำพระเไป ใช่ไมนี้ก็ไม่เที่ยงเป็นอย่างนี้ขอมันเก่าแล้วพีก็ี่ได้ฝักผมนะได้เลยครับเป็เวลาต้องเปลี่นเครื่องใหม่ใหม่เข้าใจว่าสวิตมันไม่ดีสามปีพอดีดีเลยดีเลยเดืนนี้จป็นเด้นสิบสาที่แกนี้มาสี่หลังก็ตามาหลายเดืนมาสิแ แต่ม่เราไม่เดือดร้อนกับมันเพราะเราีิดว่ามันไม่เทียเท่ยงเที่ยงยแล้วก็เปลี่ยนมันให้จะมีร่างกายเราก็เหมือนมันแต่ทำไเราไปยึดไปติดมันเหนเยอเกินพอมันจะต้องเที่ยงจะต้องอยู่กับเราต่อดถ้ารู้นู้อยู่มันนู่นจกเราก็เลยใช่ไมการไม่พร้อมไม่พร้อมทำใจไม่ได้ แต่ลองคิดไปเรื่อยๆเดี๋ยแล้วมันจะค่อยๆเสรทราบเข้าไปเรื่อยๆแลมันจะรู้ว่ามั ม, มีทางอยู่ทางที่จะทําให้จิตใจไม่เครียไม่วุ่นวายก็คือการปล่อยวางเมื่อมันถึงจุดนั้นแล้วมันปล่อยไม่มีใครที่จะไปยึดติดเมื่มันปล่อยแล้วมันถึงรู้ว่าอ๋อโง่มาต้องงานแบกไว้ต้องงานไม่รู้แบกไปทําไมอ <c oughs> าจริงๆการรัลปล่อยนี่มันเบาเลยเหมือนกันกนมโงงเลย ล่องออกล่งใจเนีมันคำว่าลง อ, อกลงใจเนี่ยมันมันมันซึ้นใจแบกมันทำไมเพราะความหลงเนี่ยมันบลอกให้เราแบกบมันมีอำนาจมากจนกระทั่งเราไม่กล้าปล่อยเรากลัวกลัวปล่อยแล้วเราจะตายอย่างนี้จะต้องต่างความเมตตาที่ไม่จะพาดตอนี้คนละเรื่องกันไม่นี่มันไม่ได้พูดถึงเรื่องเมตตาไม่เมตตาไม่พูดถึงเรื่องร่างกายที่เราจะต้องไม่ยึดติด เมตาก็เมตาไปเป็นคนละเรื่องกันตั้งใจก็บแบบพกนู่อนอยู่ไม่ใช้แรอไม่ได้แบบอยากทำอะไรครับท่ทุอยาได้ไหมครับได้ทได้อยากให้บบ ค, วความคิดนี้เข้ามาขัดขวางหนุกระจัดเราคิดว่าทาได้เป็นคนเหมือนกันมีใจเหมือนกัน มีอินีเหมือนกันมีศรัทธามียรลยะมีสติมีสมาธิมีปัญญาเหมือนกันเพ่จะทําให้มันมากขึ้นเท่านั้น่องแต่ไม่มีบาลมีก็บาลมีก็เกิดจากการทํานี้เมื่อก่อนก็ไม่มีเหมือนกันเหมือนกับต้นไม้อะถ้าเราปลูกแล้วเราไม่รดน้ําำปนดินไม่ใส่ปุ๋ยมันก็ไม่โตหรอก แต่ถ้าเราขยันวดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยคอยคอ ย, คอยกำจัดวัชพืชที่จะมาคอยมามามาขัดขวางการเจริญมันก็โตแลว้วไม่ได้อยู่ตรงไหนมันอยู่ที่การบำเพ็ง เ, เราเอาเวลาไปบำเพ็ญเรื่องอื่นเพื่อมากกว่า <c oughs> วันวั น, นึงไม่เคยถามตัวว่าเรากำลังทำอะไรอ เรากำลังบำเพ็นหรือเรากำลังทำอะไรอยู่ที่จะมีเพื่อนคนหนเึเขาเขาเขาเก็บของได้นะฮะของไปครับกระเป๋ากระตังนี่นะฮวางไว้ก็ไม่มีเจ้าของวางไว้ก็สงสัยเป็นของใคร เขาก็นั่งเป่าไปเผิดอเจ้าของจะมาเขาไม่มาสักทีไปคันวางไว้เขากลัวคนอื่นจะหยิบไปจะไปให้ตารวจก็ตำรวจจะยักยอกไปไหมาเขาก็เลยถือไปถือมา็ในที่สุดคนมาถือของเอาไว้ก็เลยไม่รู้ว่าจะทํำยังไงก็ <h ums> <c oughs> เลยเราคิดว่าเอ๊ะทําไมคมตนต้องไปหยิบของคนอื่นเทำอะไรทํานองนั้น <c oughs> จะไม่ไม่ทราบไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> แก็มางทีก็ควรจะไปรึกษาก่นคนรู้ซึ่งจะปรึกษาท น, นายความเพราะเขารู้เรื่องกฎหมายใอืมการที่ใจอาจจะมีความหวงหรือเตเแต่าในวัดมีวินัยคุณปรุงตาเทลเลอร์นี่คือว่ามีมีกดว่าถ้าของใครเขาลึงไว้อย่างเนี้ยเราก็ต้องเก็บเอาไว้ให้เขาเรา้อยเข้ามามาเคลม แต่นีคือในสถานที่ที่เป็นบัตรของเราแต่ถ้าบอกเป็นข้างนอกนี่ก็ไม่ถวรไม่ควรจะไม่แต่ต้องเลยจะต้องไม่ได้เลยในที่สาธารณะถ้าเรารู้ว่าในที่สาธารณะอยู่ภายใต้การดูแลของไทยเราก็แจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเช่นในโรงแรมที่สนามดินแล้วก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ต้องดูแลในสถานที่นั้น ถ้าอยู่กลางถนนนี้เราจะเก็บไว้แล้วไปแจ้งจอสอร้อยหรือที่ไหนก็ได้ใช้ปัญญาหน่อยนี่เพื่อนนี้ว่านี่เขาเก็บที่สนามบินได้เนะนี่ยแค่ความที่กลัวไปกลัวมาถือกลับมาเมืองไทยอะ่ะก็แล้วมันอะไรกันนายทัไมรู้เไม่องที่ว่ามันรู้ว่าใครนี่สายจะเสียดดยของ พอเห็นของแล้วก็เสียดายผูคน <c oughs> จะเอาไปผ <c oughs> ูคนไม่ดีจะเอาไป จ, าจริงเราเชื่อไม่ใช่ของเราเราก็ให้เ <c oughs> จ้าหน้าที่ที่เขาอยู่ในสถานที่นั้นรับผิดชอบไปจะ <c oughs> บอกเขาว่าของของใครเงี้นี้ไม่คิดว่าอาจจะมีระเบิดอย่างนี้หรอก <c oughs> <c oughs> อะไรียกว่ากลูว่า ในกระเป๋าคอเอาไว้แล้วมียาเสพยิ่งในจะเดือดร้อนติดคุกติดตารางไมรู้ตัวก็เลก็เลยหิ้วมาเอากลับมาเรื่อก็ไม่รู้เป็นเงินจะทำยังไงก็เก่งว่าอย่างนั้นเขาบอกเขาจะไปทาเอาเงินไปทาบุญก็ไม่ถูกเขาไปใช้เงินของเราหี่เอาไปทาบุญได้ยังไงเราต้อสงสาเรา่ก็บเตัวแยงเขางนที่้สิทธิ์ิที่คนงนอยค ไม่หรือค่ะงม่หรือ่เป็นเรื่องใหญ่เล้วคืเป็นถมในการเรื่องความสงสัยค่ะคือรู้ตัวใจว่าอาจจะเกิดกิรรมปฏิบัติน้อยแต่ว่าบางครั้งเวลาปฏิบัติแล้วมันเกิดปรากฏการอะไรกับตัวเองแล้วมันจะเกิดความสงสัยว่าอันนี้มันคืออะไรแล้วเราทำถูกหรือเราทำผิดเราก็ต้องไปบางทีก็ต้องไปถามอ คือ ท, ที่รู้มากกว่าทีนี้ลูกเลยไม่แน่ใจ ว, ว่าจริงๆควรจะพักความสงสัยนั้นไว้ไม่ต้องไปสอบถามแ ล, ล้วทำไปเรื่อยให้รูเองมากกว่านั้นหรือว่าควรต้องเช็คว่มันผิดหรือเปล่าอย่างนี้นค่ะคือผลที่เกิดจากการปฏิบัตินี้ถ้ามันเป็นความสง บ, น, ง น, บนิ่งเย็นสบายเนี่ยมันก็ถูกแต่ถ้ามันปรากฏเป็นภาพเป็นอะไรต่างๆลันเนี้ยมันก็ไม่ถูก กอไม่ถูกในลักษณะที่ว่ามันไม่ได้เป็นประโยชน์กับกับการ <c oughs> การการกำจัดความโลกความโกรธความหลงดยบางทีเรานั่งไปแล้วเราอาจจะมีนิมิตเห็นกายทิพย์ต่างๆเหมือนกับคุณแม่แก้วตอนที่ท่านปฏิบัติแล้วท่านจะจะัำผัานกับพวกเหล่านี้ แล้วท่านก็ไปหลงยึดติดว่ามันเป็นมรรคเป็นผลว่าเป็นเป็นผลที่พึงที่พึงพึงพึงได้รับและพึงพัฒนาให้ให้มีอยู่เรื่อยๆแต่พอไปเล่าให้หลงหลวงตาท่านฟังท่านก็บอกว่ า, วามันมันไม่ได้เป็นมรรคเป็นผลมันจะเป็นตัวหลอกให้หลงติดอยู่ครับสิ่งที่ไม่มี คุณค่าทางด้านกาจัดกิเลสทางด้านทาให้จิตพ้นถ้ามันเกิดก็เพียงแต่รู้ว่ามันเกิดแล้วก็อย่าไปสนใจที่จว่ามันเป็นของแถมมาแล้วเ ร, เ, เราไปซื้อของเดี๋ยวนี้เขาชอบแจกของของแถมด้วยแต่เราอย่าไปดีใจกับของแถมจน ล, ลืมของที่เราตั้งใจจะไปซื้อ ไปซื้อข้าวแล้วเขาแจกสบู่ก็เลยไปเอาแต่สบู่ข้าวแล้วไม่เอามาอย่างนี้ก็แสดงว่าหลงละไปซื้อข้าวแต่ห่อสบู่มาด้วยก็เอะทํามาแต่ท่านก็ไม่แจกสบู่เพราะไม่ไม่เดือดร้อนเพราะไม่เช่นนั้นเราเราเรานั่งทีไรเราอยากจะเห็นนั่นเห็นนี่ทุกทีถ้าไม่เห็นเรารู้สึกว่าจะทําไม่ถูกทําไม่ได้ถึง แต่ความจริงผลที่เราต้องการก็คือความสางบความนิ่งเงียของจิตความสบายใจเท่านั้นเองนี่เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติแต่ส่วนที่สองที่เราต้องทําให้เกิดขึ้นนี้มันต่างจากการนั่งพุโทโธพุทโธหรือใบรกรรมเดินดูลมหายใจก็ออกมันเกิดจากการเจริญปัญญาอันนี้ต้องคิดแหละ ต้องเสียดทีย่ยงต้องพิจารณาเป็นพิจารณาร่างกายเป็นเร่วมต้นพิจารณาอยู่เรื่ อ, อ, อยๆเกินมาแล้วต้องแส่ต้องเสียต้องตายอย่างนี้เรียกว่าเป็นการเจริญวิปัสสนาทําเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงตามความจริงของของสิ่งที่ใจมาสัมผัสมาเกี่ยวข้องด้วยก็คือขันห้าขันห้าส่วนแรกก็คือร่างกายส่วนหยามมองเห็นง่ายพิจารณา ตอนนี้ที่ต้องพิจร า, ารณาว่าตอนนี้ใจหลงยึดติดอย่งแบบขันห้างว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วไปเกิความอยากให้มันอยู่ไปนานๆให้มันให้ความสุข ก, กับเราไปนานๆซึ่งมันขัดกับความจริงความจริงแล้วมันไม่อยู่กับเราไปนานๆมันไม่ให้ความสุข ก, กับเราไปนานๆมันไม่ใช่เป็นตัวเราไม่ใช่เป็นของเราอันนี้เราที่ต้องมาถอน ใจของเราให้พิจารณาแก้ความหลงหลงไม่ใช่ความคิดที่เราคิดมันโลกมันมันโลกมันกลมมันไม่ใช่แบนแล้วมันกลมอย่างไงก็พิจารณาไปเหมือนที้เราพูดไปไอไอฐานห้านี่มันก็ไม่ทิ้นแค่แน่นอนมันไม่อยู่กับเราไปตลอดที่ร่างกายของเรามันเกิดมาแล้วมันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายพิจารณาไปเรื่อยๆนี่นี่เป็นผลที่ เป็นเป็นธรรมอีกท่านดงการ <c oughs> การปฏิบัตินี่มันมีสองขัง้นขั้นแรกเนี่เราจะนั่งหลับตาทำจิตใจให้นื่งเพราจิตใจเนื่งเนี่ยบางทีมันมีผลพลอยได้ตามมาบางคนก็ปรากฏไปเห็นเห็นสิ่งต่างๆภายในนั้นที่เรียกว่านิมิตต่างๆนิมิตนี้ท่านก็บอกว่ า, วามีทั้งนิมิตภายนอกคือกายทิพตบางชนิดอะไรที่มีกายทิพตเข้ามาเกี่ยวข้องกับเลย มามาคุยมาสอนนากับเราแล้วก็อาจจะมีมีมิติภายในที่เกิดจากในใจของเราเองอาจจะเป็นสิ่งที่ฝังลึอกอยู่ฝังอยู่ในจิตในใจของเรามาแล้วก็ได้เช่นพบก่อนชาติก่อนมันมันอยู่ในใจเราพอจิตมันสงบมันก็โผล่มาเราเห็นว่า อ, อ๋อชาติก่อนเราเป็นอย่างนั้นเป็นนี้เราเคยรู้จักคนนั้นรู้จักคนนี้นเราก็ไปทําอย่างนั้นทำทำอย่างนี้มามันก็ผล่ขึ้นมาให้เรารับรู้ได้ แต่สิ่งเหล่านี้มันไม่มันไม่มีคุณประโยชน์ในการเสริมสติปัญญาในทางด้านวิปัสสนาเลยและมันไม่ได้ทําให้จิตเราสงบอย่างมั่นคงมันสงบแบบดํานอนหลับแล้วฝันไปเวลานอนหลับแล้วฝันไปกับเวลานอนหลับแล้วไม่ฝันเวลาตื่ขึ้นมามีความต่างกันเวลาฝันไปนี่ตื่ขึ้นมาบางทีมันยังรู้สึกเหนื่อยมันไม่มันไม่รูสึกสรดชื่นมันไม่ได้พักผ่อนเต็มที่ มันเหมือกับเวลานอนหลับแล้วไม่ใส่เลยพอตื่นขึ้นมาเรารู้สึกว่าได้พักเย็นเป็นที่มีความอิ่มความสบายมีกําลังวงกาที่จะไปทํางานทําการต่อการนั่งทำจิตให้สงบแล้วนิ่งไม่คิดอะไรเลยไม่มีอะไรมาปรากฏเลยมีสักแต่ว่ารู้อยู่ในอุเบกขาได้นานทั้งเท่าไหร่ยิ่งดีอันนี้มันจะทําให้จิตมีพลังมีกําลังที่จะนะมาจเจริญวิปัสสนาต่อไป ถ้านั่งไปแล้วไปรับรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ปุ๊พอมันออกมาจากมาที่มันเหมือนกับไม่ได้มีสมาธิมันจะไม่มีกําลังที่จะไปคิดพิจ า, ารณาทางด้านปัญญาพิจารณาขันท่ากายเวทนาสังขานยิญญาณปัญญาสังขารยิญญ า, า, า, า, านเพื่อให้เห็นว่ามันเป็นใจลักเป็นอนิจจัทุกขังอนิจจามันก็จะไม่ได้พิจ า, ารณา มันก็จะไม่ก้าวหน้ามันก็จะติดอยู่ตรงนั้นนั่งทีไรก็อยากจะเห็นเห็นเห็นนั่นเห็นนี่ติดต่อครับกายทิพตรดวงนั้นดวงนี้ไปทุกครั้งถ้านั่งวันไหนเราไม่เห็นมันรู้สึกว่าไม่ได้ผลมันก็จะติดอยู่ในสมาี่อย่างนั้นไปบางคนก็อาจจะมีฤทธิ์มีเดชจากการนั่งมีตาทิพย์หูทิพย์ก็เลยจะงงยึดติดอยู่กับ กับผลเหล่านั้นทําให้ตอนคิดแล้วตนเองวิเศษแล้วได้ได้บรรลุมรรคผลแล้วเช่นพระเวทวท่านนี้ท่านก็มีวิเดือนกันก็ท่านก็เอาแค่นั้นท่านไม่เคยจะเราริสัตย์กนันาะเม่ได้บรรลุเป็นพระโสดาบาันบรรลุเป็นพระเท่าที่ได้อยู่ท่านก็เป็นพระปุถุ ช, ชนธรรมดาเพียงแต่ว่าท่านมีวิมีเดชแต่ท่า น, นไม่มีปัญญาที่กําจัดความหลงความมรรคใหญ่ไปถึงความหลงตนคิดว่าตนวิเศษ ถึงกับกล้าขออนุญาตจากทศกิจา้าว่าจะขอเป็นผู้ปกครองสงฆ์แทนทศกิจจานั่นแหละคือความหลงมันพาไปแล้วพอไม่ได้ดังใจก็ความโกรธก็ตามมาพอโลภแล้วไม่ได้ดังใจก็โกรธพอโกรธแล้วก็ไปทําบาป ท, ทํากรรมแล้วก็ต้องไปตกนรกจนได้ถึงแม้ได้ฤทธิ์ได้เดชได้บวชพระมานานแสนนานก็ยังต้องไปตกนรก เพราะว่าไม่มีใครสอนเรื่องสมาธิเนี่ยว่านั่งแล้วนั่งเพื่ออะไรผลที่ควรจะได้พึงได้นั้นเป็นอย่างไรนั่งแล้วพอได้ลึกได้เด่นก็ลองยึดติดว่าเป็นมากเป็นผลไปลองคิดว่าตนได้บรรลุแล้วเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเรานั่งนก็ขอให้ถือหลักเกณฑ์นี้ไว้ก็แล้วกัน ข้อหมายสำคัญที่สุดก็คือโอเบคขาจิตรวมลงเป็นหนึ่งสักแต่ว่ารู้เนี่ยแต่ถ้ามีอะไรอย่างเื่นมาให้รู้มีแสงสว่างมีความรู้สึกขนนุกซ่าหรืออะไรนี้ก็ถือว่าเป็นของแถมมาพิจารณาเมืนว่ามันเป็นอนิจจังมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ผ่านไปรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาดาลขางแต่มันไม่ได้เป็นตัวมากตัผมมันไม่ได้ตัวเป็นตัวที่ทาให้เราวิเศษวิโสขึ้นมา เพื่อที่จะทําทให้เราวิเศษจริงๆนั้นต้องอีกขั้นนึ่งหรือพอออกจากสมาี่นี้แล้วเราต้องมาเจริญปัญญาเดินจงกรมก็พิจารณากายนี่แหละเอาเรื่องต้นเอากายนี้ให้มันเข้าใจทุกทุกสัตว์ทุกส่วนเรื่องการแก่การเจ็บความตายเรื่องรสนะความไม่สวยไม่งามเรื่องตระกูล ค, ความตกตะกอของง่างกายพิจารณาจนกระทั่งมันเกิดความเบื่อหน่ายทั้งของเราและของผู้อื่นปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดไม่อยากได้ ใครมาเป็นคู่ครองอันนี้นะ่ะจะเป็นจะเป็นจะเป็นคู่ริษเตถึงจะเป็นถึงจ ะ, ถ, งจะถึงจะเป็นมักผลขึ้นมา <c oughs> ถ้ายอมรับความตายปล่อยวางได้ก็เป็นสรรดาบังลนะธรรดาบังพระอัญาองทยักษ์เต่งว่าจาว่าทำใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดายล่อมีการดับไปเป็นธรรมดาร่างกายนี้เกิดแล้วมันก็ต้องตายเป็นธรรมดายอมรับได้ เน้นกนังวลแล้วถ้าพิจารณาเห็นว่าร่างกายนี้ไม่สวยงาม <c oughs> มีแต่โครงกระดูกมีแต่ตับไตไส้พุงมีแต่สิ่งปฏิกูลที่ออกมาอยู่ตลอดเวลา <c oughs> ก็ไม่อยากจะเข้ากันไม่อยากจะมาเอามาเป็นคู่ครองไม่อยากจะหาความสุข ด, ด, ด้วยก็ห ล, ดลุดจากก็กลายเป็นธาอนาคางอีกต่าี่าปในเพียงแต่พิจารณาขั้นร่างกาย ก็ได้ถึงขั้นนะอนาคาอื่นส่วนพระ อ, อรหันต์นี่ก็พิจารณาเวทนาสัญญาสังขารยุย่งยากเท่าไหร่ข้งในเราคิดเราก็ยังไม่ได้ตั้งใจจตอ น, นแรกเราตั้งใจจะเรียแอเมัเนก็ไหยไปเรื่อเรื่องเกี่ยวกับว่าทุกอย่างเป็นานสิ่แล้วก็คืนเมื่อวันจบไปงานศบค่ะแล้วปรากฏว่าก็ไปดูลงแล้วก็จากที่เราฟังที่พักเมรุแล้วล่ะครพิจารณา แต่ละมันเหมือนว่าเราไม่ได้มีสติในการคิดเราไม่ได้ฟังมันก็ไหลความทิดมันไหลเองนั่นแล้วพอเราเริ่มมีสติพอเราับมาหรือไม่มีความรู้สึกกับสี่ัแล้วเป็นสิ่งที่เรายอมรับหรือเปล่าเราคนจะทำยังไงคตอนแรกจตั้งใจที่จะแต่มันเหมือนกบเหลงดีปเรอว่าแค่นี้ก็ถายทักทักทนี่ก็เป็นทักทาแต่ว่าเราต้องทำในสองฝ่าย ก็ควร ก, ก็ควรจะเราต่อไปให้มันอยู่กับเราอยู่เรื่อยๆต้อคือ ต, ตอนนี้นมันไปโดยออาได้ของของบุญเก่าของของปัญญาเก่าที่เราเคยพิจารณาอยู่มันเหมือนไฟที่ได้เชือ้อไฟเก่าที่มันมันมอดไฟแต่มันไม่ดับพอมันได้ได้ได้สะเก็ไฟมันก็ลุกขึ้นมาเลยแต่พอเราเราพอเราถอนออกมามันก็หยุดคิด หรือว่ามันหมดมันมันหมดเชื้อมันก็หยุดทิเราก็ต้องเติมเชื้อมาคือมันมีกําลังของการพที่จาได้ในในระยะหนึ่งยึดต่อไปเราต้องการขยายให้มันยาวขึ้นไปเรื่อยๆแต่กระทั่งทุกเวลานาทีเวลาเรามองเห็นใครที่ไหนเรากําหนดทีไรปั๊บมันก็จะกลายเป็นท่าจะทันทีกลายเป็นท่าจ ะ, จะทันทีมองกําหนดไปที่รายการโรงสรางสร็สทันที อย่างเงี้ยมันถึงมันจะถ้างมาดัดมันจะเหมือนไม่เหมือนก็อยากไปคาพูดให้เขาคําว่าสติไม่มีสตินี่มันก็อาจจะไม่ไม่ใช่กระดษมันอาจจะมีแต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นสติก็ได้แต่ถ้ามันพิจารณาไปทางนี้ก็แสดงว่ามันไปในทางปัญญาแล้วถ้ามันพิจารณาอะไรเป็นธาตุไปหมดอเงี้ยมันก็เป็นปัญญาพิจารณาอะไรไปเป็นซากไเป็นอย่เงี้ยมันก็เป็นปัญญาก็ได้ ท่านเพื่อไหลไปตามนนลักษณะนี้เนี่ยลยักษณะอย่างนี้เ น, น, นี่ยสติปปก็ไม่มีความหมายแล้วตอนนั้นมันก็มีนั้นก็มีเพียงแต่เราไม่รู้ว่ามันมีไงเขาไม่มีเราจะไปรู้ได้ไงเราจะพิจารณาได้อย่างไรแต่เราไม่ได้นะคิดอะไรเลย ค, คือมันผู้อี่ใหนี้คำความหมายคือว่าไม่ได้ับบังคับมันมันไฟเองออย่างนี้มากกว่าเพราะว่ามันมีเชื้อเก่าอยู่มันมีเชื้อเก่าพอมันได้รับสเก็ตไฟหน่อยมันก็ลุกขึ้นมาเลย เป็แต่ว่ามันลุกไม่นานเพราะว่ามันมีเชื้อแค่นั้นอืมที่เราต้องมาต่อไงเราไม่ต้องมาเสริมต่อ ย, ยอดถ้าเราเริ่มมีจิตเราก็ทําเหมือนเดิมทีนี้เราก็มาเริ่มพิจารณาแบบที่เราพิจารณาเมื่อกี้เพียงแต่ว่าให้มันให้มันอยู่ทุกขณะเลยทุกเวลาถ้าไม่มีการจะคิดจะคิดเรื่อ ง, งอื่นก็ให้มันคิดอยู่แต่เรื่องเหบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันเป็นเหมือนกับอัตโนมัติเห็นใครเห็นอะไรปุ๊บมันก็ จะลายลงกลายเป็นธาตุเป็นดินเป็นหมดเป็นที่เท่าไปหมเป็นซากศพไปหมดต่อไปถ้ามันพิจารณาจนกระทั่งมันทํางานแล้วมันไม่ต้องบังคับเนี่ยมันเห็นตัวมันจะไปเองเลยเห็นัวนี่ยไมกลับตอนต้นเราท่องสูตรคูณแล้วลองท่องสองคูณสองเป็นสี่คูณสองคูณสามเป็นหกท่องๆ่องไปก่อนต่อไปเราไม่ต้องท่องเห็นเลขสองกับเลขเลขสวนสองการกระบาดเลขสามตับเลขหกมันก็จะตามมาเอง เป็นไปโดยอตัตโนมัติเพราะความชํงนานอาจารย์ที่พูดนี้เมื่อกี้นี้ไม่ได้มาเขาไม่มีสติอาจารย์มันไปโดยอัตโนมัติมันไปโดยอานาจของปัญญาเก่าที่เราเคยเจริญมาส่วนหนึ่งแล้วแต่ยังไม่พอมันต้องให้มันมีอยู่คู่กับใจเราตลอดเวลาเวลาเรามองเห็นร่างกายที่ไรมันจะสิ่งเหล่านี้มันจะมา ท, าทันทีมาทันที หรือทุกครั้งที่มันหลงจะยึดจะติดปับมันจะมาทันทีถ้าไม่หลงไม่ยึดมันก็จะเฉยเฉยมันก็ยังไม่มีปัญหามันก็จะไม่มาแต่พอเราจะคิดจะยึดอยากจะได้ครั๊บก็ดทิเวทก็ขึ้นปั๊บมันจะมาทันทีแล้ถ้าเราพิจารณาจนจะทั่งเราทํานาญแล้วมันจะมาเองแต่ถ้าไม่ทํานาญมันไม่มาพอหลงปั๊บก็ไปเลยอย่ที่จะรู้ว่าตอนปัญญาทังไม่ทันก็อยู่ตรงเนี้ย เวลาเห็นทัพยเนี่ยจะไปไปทางไหนถ้าไปทางหลงไปทางความอยากได้มันก็ไปละไปทางทเลยดพอไปตอนนั้นก็สายไปเสีนละตามไม่ทันแล้วเดี๋ยวก็ไปโทลไปแต่งงานกันละไปไปที่ไหนกันล่ะที่ไหนในหนังสืออย่านี้แถ้าทันนี่บางทีก็เข้าวัดเลยบวนเลยอ ในหนังสือที่อ่านดูรู้บูมันค่พิจารณากระดูกอย่างเดียวทั้งห้าร้อยชาติเลยก็จะมันก็จะมันหนังสือเล่มนี้ค่ะแล้วก็กินนะห้าร้อยชาติเพราะไม่ค่พิจารณาบ่อยไงทแต่มาชาตินี้ก็พิจารณานิดๆหน่อยๆแล้วก็แล้วก็เลยไปไปทำอย่างอื่นมันถึงต้องทําหลายๆครั้งด้วยกันแต่ถ้าชาตินี้ชาถ้าทําอยู่ทุกวันทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกนี่ไม่ต้องหายชาติชาตินี้แหละ สาเจ็ดวันเจ็ดปีนี่มันก็ได้แล้วอาจเรื่องสอนนายสติปัฏฐานสูนยเนี่ยเจ็ดวันถึงเจ็ดปีข้าพเจ้าใเนี้ยก็อยู่แค่นี้เองกดรเจ็ดึีสอนท่านนรให้พิจารณาพุทโธหายใจเข้าออกอย่างกระทั่งมันเป็นอัตโนมัติมันเป็นอืมมันเป็นส่วนหนึ่งความรู้สึกนึกคิดของเราทันทีเห็นคนแล้วมันไม่ได้เห็นเป็นคนแล้วมันเห็นแต่อาการการสึกดื่อ มันเป็นเหมือนตุ๊กตาตัวนี้งร่างกายนี้เป็นเหมือนตุ๊กตาเลยหจิตนี่ว่าเป็นเจ้าของนี่เลจิตนี้เป็นเหมือนตัวคอยสั่งให้มันเดินไปทําไปพูดให้มันวิ่งให้มันเล่นให้มันทําอะไร<ม>แต่จิตไปหลงที่ว่าเป็นตัวกันพอร่างกายเป็นอะไรไปจิตก็วุ่นวายตกใจหวาดกลัวแต่พอสอนให้มันรู้ว่าร่างกายเป็นเพียงตุ๊กตาตัวหนึ่งไม่ได้เป็นจิต เปลเพลงแต่มามามาเป็นเจ้าของอจิตต้องชะลายจิตต้องยุติธรรมแล้วปอยวางก็จะไม่ทุกข์กับมันคำ ถ, ถามโครงข่ายกับเราเข้าเนะที่บอกว่าถ้าเราเราไปแล้วเราไม่เคยเห็นอะไรเลยที่เรผิดปกติ <c oughs> ถ้าไม่ผิดไงบอกว่าเต้าหม้เราเคยต้องการให้จิตสงบนีเน่เป็นเป็น เ, เ, เอกตารม สักแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขานั่นคือเป้าหมายหลักของการนั่งสมาธิซึ่งคนส่วนใหญ่ท่านว่าเก้าสิบห้าเปซ็นนี้จะเป็นอย่างนี้สงบนิ่งแล้วจะไม่รู้ไม่เห็นอะไรไ่มอแต่มีพวกที่ห้าเปอร์เซ็นนี้เขาเป็นพวกที่เขาจะจิตโลดโผนจิตที่มักจะไปรู้อะไรพิเศษเป็นความรู้พิเศษ เขาบอกว่ามันเห็นสิ to to ่งเหล่านี้มันไม่ไม่วิเศษไงถ้าจะเห็นต้องเห็นเรานอนตายอย่างเงี้ยอย่างเงี้ถึงจะวิเศษถ้าเห็นถ้าเห็นอะไรในในลักษณะที่เป็นใจรักนี่ถือว่าวิเศษถ้าเห็นเรานอนตายมีคนเข้ามารดน้ําศพเราเห็นเราถูกเขาจับใส่ดองเข้าไปเขาในในดจร่างกายถึงที่เท่าที่ถ่านไปแล้วมันติดตาติดใจเราไป ออกมาจากสมาธิกปยังอยู่ตกเราไปอย่างเงี้ยมันอย่างเงี้ยถึงจะเรียกว่าเป็นวิปัสสนาเป็นๆๆนิดๆในวิปัสสนาเป็นเป็นคุณเป็นประโยชน์ทำให้เราปล่อยวางร่างกายได้หรือมีมนิดๆอย่าง ท, ที่เช่นเหมือนจะว่าเราตกน้ำแอ่ว่าน้ำไม่เป็นแล้วเรากำลังจะจมนะเนี้ แล้วเราก็พยายามต่อสู้ต่อสู้พยายามที่จะไม่ยอมให้จมนะซึ่งใจท่าหลานก็สู้ไม่ไหวตอนั้นถึงถึงขั้นสุดท้ายครับปองแล้วจมก็จมปล่อยกันไปพอปล่อยแล้วตานมันก็จมจริงๆแต่ใจไม่ได้จมตายเลใจมันแยกออกจากกายไปใจมันเบามันสุขแทนที่มันจะทุกข์มันกลับโอ้ปล่อยแล้วมันกลับสบายยอมตายกับสบายในทางสุดอันนี้ก็เป็นนิมิตอย่างนี้นึ่นก็ดี แต่เขาาติดมาแล้วยังงก็เ่องนี้เราลูกก็เคคิดดูเหมือนกันว่าเอ้เราเราเกิดมาเนี่ยเราก็มีสัญญาจากปกติว่านี้ตัวเราที่จะต้องทานข้าวอะไรเนี่ยเราพอเรามาศึกษามากๆแลปฏิบัติเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าถ้าเรามีรูปมีหลานเล็กๆเนี่ยเราจะฝึกเขาให้ให้เห็นความจริงๆได้ไหม สอนล้วก่อนเถอะสอนอยู่แล้วค่แต่หมายความว่าเขาเรื่องของเขาไม่เป็นไรหรอกสอนตัวเองถ้าถ้าเราถ้าเราเต็นแล้วสอนเ็นสอนเขาง่ายเพราะเราจะเราจะชั่งน้ำหนักหรือว่าเขาพร้อมหรือไม่พร้อมก่อนแล้วเขารับได้หรือรับไม่ได้ใช่ใช่เห็นใครก็สอนไปหมดเลยไม่่อา้พูดได้จูงใจดูมดที่กูเดินเลยคนก็คือว่าเขาไม่รู้ทุกู้สืบครอแต่ว่าวิการดำรงชีวิตอยู่เท่านั้นเอง เขาจะมีสุขมีทุกข์เลยาลองเดินไปนี้เพราะเขาจะต้องต้องดูแลรักษาสภาพร่างการเขไม่รู้ไปคนไหนก็เหมือนกับมนุษย์ส่วนใหญ่เท่ากันเดียวกำนดเนี่ยสังเกตดูวันวันหยุดสงการนี้่มืีกับมดเข้าแถวกันออกจากเมืองเลยรถยาวเป็นแถวอะไถ้าเราบินใช้พอบินดูเนะ่ยันก็จะเหมือนกันเหมือนกับกระบวนการของมดเลย มันก็ไปตามตามกำเนิดของกิเลสตัณหาไปหาความสุขกันมดมดเขาก็หาความสุขของเราเราไม่รู้ว่าเขาเขาเดินกันไปเพื่ออะไรอาจจะเพื่อไปขนข้าหารมาหรือไปทาําอะไรหน้าที่ของเขาเขาก็ทําเพื่อความสุขของเขาคนส่วนใหญ่ที่ทําไปตามความความความโลภความอยาก ไปไปทําไปตามความสุขทางโลกมันก็เหมือนกับมดนี่แหะเพียงแต่ว่าวิธีการต่างกันหน่อยแทนที่จะคลานกันไปก็นั่งแรถกันาปหรือบินกันไปนีมันก็เหมือนกันอ่ะมันก็ไปมันก็ไปหาความสุขแบบเดียวกันหาความสุขทางตาหูจมดกจีนกายเหมือนกันไม่ต่างกันหรือลังเพึ่งเนี่ยสังเกตดูมันก็เหมือนคอนโดของของ ขอึ่งคนเราก็เหมือนอยู่ในหลังพึ้นะ่งคอนโดนี่นะคก็แต่ละคนก็มีดู ด, ดูเล็กๆอยู่ดูนึงเข้าไปอยู่เจ <c oughs> นะเช่อ <c oughs> พึ่งมันก็ต้องมีที่อยู่คนก็ต้องมีที่อยู่เหมือนกันไม่ต่ารกันต้องมีที่หลบภัยหลบแดดหลบฝนก็เป็นความสุขอย่างหนึ่ทางโลกแต่ถ้าเป็นท่นี้ท่านก็อยู่ในป่ากลาง ได้ได้ต้นไม้ที่ไหนก็ได้ของท่านนี้ต้องเป็นที่ที่สงบที่วิเวกแส่ของของพทุทชนนี้จะต้องอยู่ในกลุ่มกันก็เป็นกลุ่มเป็นอยู่ที่ไหนคนเดียวไม่ได้ น, นั่นคือการระหว่างนี้มีเครื่องกันธรรมนาระงมันจะมีสิ่งพิเศษอะไรนี่คือมันจะมี รรรรคำถามเกิดขึ้นจะมีคำตอบเกิดขึ้นตลอดเวลาคำถามคำตอบคำถามคำตอบในบางคำตอบเนี่ยทราบว่ามันกระจ่างเพราะมันกระจางที่ใจเลยแต่ในบางคำตอบเนี่ยมันไม่เคลียร์ามันจะติดออกมาเพียร์นาภายหลังอยู่ตลอดเวลานี่มันมันจะเกิดขึ้นตลอดเลยป็นอันนี้มันก็เป็นเป็นการพัฒนาจิตใจเนกันการการสงสัยต่างๆมันก็ต้องความเกิดขึ้นแล้วเราก็หาคําตอบคําตอบมัน ที่บางทีปัญญาเรายังไม่ไม่ไม่ทัน ม, ม, มันก็ยังหาคาตอบมาไม่ได้ แ, แต่พอเราพิจารณาไปสักระยะหนึงเดี๋ยมันก็เลกได้ออก ต, อต้องเป็นอย่างนี้ต้เป็นอย่างนี้มันก็มีคําตอบมาผมบอกว่าถ้ามีคําถามเมาต้องไปถามใครอย่าถามตัวเราเองแล้วก็ตอบตัวเราเองมันคําตอบมันมีอยูอ่ในนั้นและพอเราใช้ปัญญาพิจนารณามันก็จะมันก็จะเจอเองจะชา้าแล้วจะเร็วเท่าไหร่ คำตอบข้นางหลังมันก็อยู่ในใจรักนี่นะถ้ามันถ้ามันใช้ใจรักแล้วมันเป็นคําตอบแต่ว่าเราเราเราเรามองไม่เห็นใจรักนี่มันเหมือนกับสมาธิไม่ได้ลงเลยจ้ะคือคือพอนั่งไปสักพักหนึ่งคําถามคำตอบเราเนี่มันจะขึ้นกันทีมันจะไปทางลักสณอปัญญาหรือสมาธิแล้วอีกมันจะไปทางปัญญาถ้ามันไปถ้ามันอยู่ในวงของขันห้าในวงของ กายร่างนี่ก็ใช้ยได้แต่ถ้ามันมันอยู่ในวงของราบยศสวัสดิสมุนนี้ก็แสดงว่าไม่ใช่ทางน่ะปัญหาแบบนี้ไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปหาคําตอบไม่ต้องไปสนใจการทำทางที่นทําให้จิตใจเราไม่ยังไม่เข้าใจในธรรมบางส่วนให้เราเราลองพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วก็ไคนในหนังสือบางทีอแต่ว่าซึ่งจริงๆแล้วควรจะ่คนในใจเรานี่แหละแต่บางทีหนังสือก็ก็ให้คําตอบาันได้ ทำหนังสือทว่างทีได้อ่านหนังสือของครูบาอาจารย์ก็ถ้าท่านเคยพูดเรื่องนี้อยู่แล้วเรากําลังติดอยู่ก็ช่วยเราได้บางทีถ้ามีโอกาสได้ได้พบครูบาอาจารย์แล้วแย้มออกไปให้ท่านทราบท่าน้าจะช่วยเราได้แต่เพบางทีเราไม่มีปัญญาพอที่จะตอบคำถามเรามาได้อย่างที่น้วงตาท่านรู้ว่าบางทีปรากฏเป็นอะเนี่ยธรรมะโผล่ขึ้นมาในจิตแต่ท่านก็ยังหาคําตอบไม่ได้ อะไรที่มีจุดมีต่องอยู่ที่นั่นเป็นที่ที่เอท่ทีเกิดที่พบของชาติอะไรถ้าบอกถ้าถ้าไปไปเล่าให้ครูนี้ฟังท่านก็จะพี่บอกเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แต่ถ้าไม่มีก็ต้องค้นหาเอาเองถ้าบอกสามเดือนถึงจะพบคําตอบแต่มันไม่อยู่ที่ไหนมันอยู่ในใจเราเนี่ยปัญหาไม่ออกมาจากในใจเราคําตอบมันก็มีอยู่ในใจเรา แต่ว่าเราจะหาเจอไม่เจอถ้าไม่เจอก็ต้องถ้ามีผู้ที่เขาเจอมารลา่าเขาไปเล่าให้เขาฟังแล้วเขาก็บอกกับเราได้ถ้ายังไม่เจอก็พิจารณาไปเรื่อยๆอันเป็นแค่ารอัดอันปันใจเงี้ยมั น, ม, น, ม, นมันคิดเลื่องนี<ม>้ซ้ำซ้ำซากๆตลอดการปฏิบัติโดยไม่มีครูบาอาจารย์กับมีเน่ยมต่างกันตรงเนี้ยเวลามีปัญหาแล้วเนี่ยนมครูบาอาจารย์ช่วยได้ ถ้าท่านเป็นพู้ที่ปฏิบัติผ่านมาแล้ว <Yeah. S 1> ถ้ารู้แล้วพอเราติดตรงนี้แล้วท่านก็จะบอกเราได้ถ้าไม่มีก็ต้องทุ่งตัวเองไปเรื่อยๆเลี้ยปตัหนังสือก็ได้ <Yeah. S 1> ขอให้เป็นหนังสือที่เป็นหนังสือธรรมะจริงๆไปแล้วกันเพราะถาไปเจอหนังสือธรรมะที่ <Yeah. S 1> ไม่จริงน่เหมือนกันก็จะทาําให้เรายิ่งเคว้ได้ บางนอีเทสตั้งละหมาดฟังฟังก็ได้คำตอบแต่บางทีคำตอบมันก็โผล่มาเองคืท่านพูดไว้นานแล้วคือแต่เราฟังไม่เข้าใจเพราะตอนนั้นเราไม่มีคําถามคําตอบมีอยู่แล้วแต่เราไม่มีคําถามพอเราปฏิบัติไปถึงจุดหนึ่งเราจะพบกับคําถามแต่เราไม่ร <or whatever> <t> ู้ว่าคําตอบคือตรงไหนเรากลับไปฟังเทสของท่านอีกทีท่านตอบมาแล้ว ท่านผู้สกึกษาไว้ก่อนนะท่านเคยผ่านมาแล้วท่านร้แต่ละจุดแต่จุดนี้จะมีปัญหาอะไรมีมีปัญหาอะไรจะติดอยู่ตรงไหนท่านจะคอยเตือนไว้ก่อนคอยเล่าฟังเหมือนตอนที่หลวงตาติดสมาธิหลวงปู่มั่นนี่นก็บอกสมาธิ เ, เหมือนเหมือนเศษเนื้อเ็ษเนื้อพอพอพอท่านออกไปทางปัญญาท่านก็พิจารณาจนเมื่อหลับไม่นอนแต่ก็บอกบ้าสังขารเนี่ย แต่างเงินตะมันมันจะไปสืบตรงเพราะมันพออยู่ทางสมาธิมันก็จะติดอยู่สมาธิไม่ยอมออกทางปัญญาพอมันออกทางปัญญาพิจเกิาแล้วเกิดความรู้ความเจริญขึ้นมันก็ติดใจจน ก, กระทั่งไม่ยอมหยุดหย่อนมันก็เลยคุ้งซ่านที่เกิดนาจนกระทั่งเลยเ mm hmm. ถิดไปท่านก็บอกว่าบ้าสังขาร mm hmm. <laughs> ต้อ ง, ต, องต้องกลับมาพักในจิตต้อง ก, กลับมาพักในสมาธิพักจิตบ้างสลับกัน การทำงานพิจารณาไปเรากระทัเศรูว่ามันเหมือนกับมีดเราใช้ไปเรื่อยๆมันก็จะทื่อปัญญาเราพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วงทีมันก็จะทื่อมันจะตอบคําถามไม่ได้เหมือนตอนใหม่ๆพอเราจะมาออกแบบหนาที่ใหม่ๆมัน ม, มีคําถามามีสงสัยแล้วมันจะมีคําตอบมาลับซอบลับฝีตลอดเลยนะแต่พอทรัพยากรนึ่ยแล้วมีคําถามออกมาคำตอบไม่ได้ออกมามันก็จะมันก็เลยมันหมดกําลังเลย ก็ต้องหยู่แล้วกลับเข้าไปทักในสมาธิใครทำจิตให้สงบอย่างไรแล้วก็ทํำมันอยู่ถ้วจิตสงบถ้าจนกระทังมันอิ่นสบายมันถอออกมาก็คําถามเดิมนั้นพอมาโแล้วก็คําตอบก็จะตามอย่างทีเมียจะเข้าใจเองบางทีคำถามคําถามของเราที่ไม่มีคําตอบเพราะว่าจิตเราไม่มีสมาธิก็ได้ลองไปพักจิตให้สงบใกล้กับความอยาพิจารณาว่าคือเกินใจ มันจะบ้าสังขารได้คิดตั้งวันหน่งกันคิดแล้วกันอยู่เลยอ่ะหาคาตอบไม่เจอไอ้บางท่อตอบไม่ใช่ว่าลองคิด้ายแล้วมันก็จะเพรมันกระจางนั้ว่านจะเสนอ้เดี๋ยวมันก็ตรงแต่งคิดหาปัญหาอย่งนี้เรื่ยๆทีไงยมันปัญหามันจะเกิดในขณะที่เริ่มทาสมาธิสมอ เล้วาจิตเจลิ่ย้งเรามันอาจจะเป็นแบบทวกปัญญาวมันตมาี่ต้องพิจารณาเป็นยศหลบให้ผูอยู่กับผู้โทพุทโทนี้ไม่อยู่อาารคะัจากที่ลูกเคยับเรียนว่ายอมรับเรื่องของท่าศีลแล้วมีก็พยายามทามีสติตามู้วยอแล้วบางตอนมีวัน่านข้าวเทันทีที่ ทานอาหารเนี่ยก็มีนห้มีสติตามนี้มันเห็ุนี้อาหารเนี่ยเป็นธาตุสีและวุ่นเป็นงนานื้อที่เหมือกันค่ะแล้วก็อันนี้คําบอกว่าอันนี้ก็เป็นส่วนธาตุสีติดใจก็ดีว่าถูกต้องข้อสังเัญก็คือเมื่อเรียกว่าเป็นธาตุสีแล้วเราก็ต้องไม่ยึดไม่ติดมันก็เหมือนกับเหมือนกับขวดน้ําเหมือนกับตัวมันก็เป็นธาตุเหมนกันมันก็เป็น มันจะเป็นอะไรเราก็ไม่ควรที่จะยุ่นไล่ไปขาดนันก็เป็นความรู้สึกที่มีความรู้ตรงนั้นเฉยๆไม่มีไม่รู้สึกมีการรู้สึกอะไรกับมันไม่เหมือนขั้นแรที่ที่รู้ตรงนั้นหรือว่ามันมันรู้ว่ามันไม่เลยเป็นตัวตนอย่างที่เราคิดเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้คว่าเป็นตัวเราของเราแล้วมันก็ไปเหมือนกับวัตถุชิ้นหนึ่งที่เรามาครอบครองอยู่เท่านั้นเอง หลักใหญ่ก็คือจิตที่ไม่วุ่นวายไปตรงนไม่ไม่เดือดร้อนไม่กังวลไม่วิตกไม่หวาดตัวกับการเป็นอะไรของมันมันจะเป็นยังไงก็ถ้าว่ามันสุดวิสัยที่เราจะรักษามันได้ก็ต้องให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันเฉยๆจิตจะรู้สึกเฉยๆมีก็มีมีก็ดูแลรักษาไปเมื่อมันจะไปก็อันนันไป มันก็มันก็ไม่ได้ไปไหนเมื่อกลับคืนสู่ธาตุเดิมมันก็กลับคืนสู่ทเท้าแล้วก็เหลือแต่ที่เท้าเหลืแต่แต่กระดูกน้ําก็เหือดแห้งไปหมดอากาศก็หายไปหมดเหลือแต่ดิน ก, ก็มีทั้ง น, นี้ร่างกายมันมีทั้งนี้ถ้าพิจารณายกจิตมันจะสงบเย็นสบาย ไม่ทำาฮ่านอนนี่นไปพักผ่อนลนะ